มีใครอยากจะถามอะไรไหมมาพักที่วัดยายนะมาพักกันกี่วันนะฮะส า, สามวันนะนวันค่ะออมีเป้าหมายในการมาพักเพื่ออะไรนะมาแก้บนหรอป่ะ มา่ายางไงวันนี้มาคนเดียวนะ ม, มาวัดก็เพื่อมาหาความสงบเพราะที่อื่นมันไม่ค่อยสงบกันที่อื่นจะมีแต่แสงสีเสียงมีรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่า เป็นเหมือนน้ำตาลมดไม่ชอบไปอยู่แถวที่มีน้ำตาลแต่น้ำตาลถ้ากินมากๆมันก็เป็นพิษขึ้นมาได้คนที่เห็นพิษของน้ำตาลมดที่เห็นพิษของน้ำตาลก็อยากจะออกมาจากน้ำตาลคนที่อยู่กับรูปเสียงกินลดจนเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ก็อยากจะหนีออกจากรูปเสียงกริลดลถคนที่มาอยู่วัดมาถือศีลแปดนี้เรียกว่าเป็นคนออกจากน้ำตาลหนีหนีน้ำตาลหนีความหวานของน้ำตาลเปมากมากก็เป็นเบาหวานใจเราเสพ ร, รูปเสียงกิล่ลรผลิตภาณมากๆกก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา เลยอยากที่จะดีออกจากรูปเสียงกลิ่นรสออกจากกามมรสุขกามมรสุขเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่เป็นไม่ได้เป็นของเราโดยตลอดเวลาอยู่ก็ดีพอเวลาไม่อยู่ ก็ไม่ดีคนส่วนใหญ่ที่เข้าวัดกันก็เพราะบางชาสูญเสียรูปเสียงกิ่นลดอย่างใดอย่างหนึ่งไปอาจจะเป็นคนนั้นคนนี้อาจจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อาจจะเป็นเงินทองอาจจะเป็นตำแหน่ง ทั้งเสียแล้วทั้งไม่ได้กอนอยากจะได้ก็คิดว่ามาเข้าวัดแลว้วมาสร้างบารามีเพื่อเวลากลับไปแล้วจะได้สิ่งที่อยากได้อันนี้ก็ยิ่งหลงใหญ่พวกที่ออกมาเพราะเห็นว่ามันทุกข์เนี่ยเป็นพวกที่ไม่หลงพวกที่เห็นด้วยปัญญาแต่พวกที่ มาเพราจะกลับไปหาสิ่งที่อยากได้เป็นพวกที่หลงอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็เลยมาอยู่วัดมาบ่นบานสารกล่าวขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แล้วก็จะมาบวชเจ็ดวันสิบวันอันนี้ยิ่งหลงใหญ่ หลงสองสองข้อข้อหนึ่งคือสิ่งที่เราขอบุคคลที่เราขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราขอนี่เขาไม่มีก็ไม่มีให้ของเหล่านี้หรอกที่เราได้ก็เพราะมันถึงเวลามันจะได้มันก็ได้ถึงเวลาไม่ได้มันก็ไม่ได้พอได้ก็เลยคิดว่าโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้มีจริงเท้ามหาพรหมเนี่ย เราอยากจะได้อะไรก็ไปบนบานสารเก่าพอได้แล้วก็ไปแก้บนกันไปร้องลาไปบูชาพระพรหมกันนี่ก็หลงแล้วพระพรมไม่สามารถโดนบันดาลสิ่งต่างๆที่เราปรารถนามันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราอยากได้ถ้าเรามีเหตุเราก็ได้ ถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่ได้คนที่ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็หลงถึงหลงถึงหนึ่งเด้งแล้วห ล, ลงข้อที่สองก็คือเคิดว่าสิ่งที่ได้มาจะให้ความสุขกับตนไอสิ่งนั้นก็หลงอีกเพราะมันไม่ได้ให้ความสุขมันให้ความทุกข์มากกว่าเพราะสิ่งที่ได้มาเล้าเดี๋ยวมันก็ต้องจากไป เวลาได้มาก็ดี อ, อกดีใจแล้วพอจากไปก็เสีย อ, อกเสียใจหลงสองสองเด้งสองชั้นชั้นที่หนึ่งคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสามารถดลบันดาลให้เราได้ในสิ่งที่เราอยากได้ข้อที่สองความหลงข้อที่สองคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้ได้มาแล้วจะทำให้เรามีความสุข แต่ที่ไหนได้ได้มาแล้วกลับมีความทุกข์เอาได้อะไรมาก็ห่วงนะห่วงนะได้แฟนมานี่ห่วงนะใครแตะไม่ไดนะ้ใครคุยกับแฟนเราไม่ได้นะคุยแล้วใจไม่สบายพอไม่เห็นหน้าเห็นตาก็ห่วงหายไปไหนเนาะแล้วพอเขาจากเราไปหรือเขาทิ้งเราไป ก็เสียหกเสียใจร้องหมน้องไหยแต่เวลาไม่มีแฟนก็ไปอยากได้กันไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้แฟนดีๆขอให้ได้แฟนรักเราเนี่นี่เป็นความหลงหลงสองตอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีหรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การกระทําของเราคือความดีทั้งหลาย ความดีนี่แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะความดีจะทําให้เรามีความสุขไม่มีความทุกข์แล้วความดีก็เกิดจากการกระทําของเราเกิดจากการคิดการพูดการกระทําทางร่างกายเรียกว่ากรรมกรรมแปลว่าการกระทํากระทําทางใจคือความคิดก็เรียกว่ามโนกรรมกระทําทางวาจาก็เรียกว่าวาจีกรรม การทำทางร่างกายก็เรียกว่ากายกรรมพอกราทำกรรมทั้งสามนี้แล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาถ้าทำดีก็เกิดความสุขความเจริญทางจิตใจไม่ได้เจริญทางลาบยศสรรเสริญอย่าหลงประเด็นความดีนี้ไม่ได้ทำให้เรารวยไม่ได้ทำให้เราใ ห, ใ ห, ใ ห, ใหญ่โตไม่ได้ทำให้เรามีขนโยกย่องสรรเสริญเยินยอ ไม่ได้ทำให้เราได้รูปเสียงกลิ่นรสมาเสษแต่จะทำให้ใจเราสูงขึ้นใจเราจะพัฒนาจากมนุษย์ไปเป็นเทพไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลอันนี้เรียกว่าความเจริญทางใจด้วยความดีความสุขก็จะมีความสุขใจเพิ่มมากขึ้นใจมีความสุขมีความอิ่มมีความพอมากขึ้น ทำให้ไม่หิวไม่โหยกับลาบยศสรตเสรินไม่หิวโหยกับรูปเสียงกลิ่นรัดอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปดิน้นรนหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายที่เป็นเหมือนยาเสพติดเวลาได้ก็ดีใจเวลาไม่ได้ก็เสียใจนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง คือความดีเรียกว่าบุญกุศลบุญกุศลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะทําให้เราได้สิ่งที่ดีที่งามกับชีวิตจิตใจพระพุทธเจ้าได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้พระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระหลานตัสาวรกได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ต้องทํากันขึ้นมาเองขอไม่ได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นเหมือนสินค้าที่เราต้องผลิตกันขึ้นมาใครผลิตคนนั้นก็ได้ใครไม่ผลิตคนนั้นก็ไม่ได้นี่แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงอยากจะได้ความสุขความเจริญมาทำความดีกันมาคิดดีพูดดีทำดีกัน คิดดีคิดยางไงคิดดีคิดที่จะแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้มีอะไรที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขได้ทำไปเลยคือทำแบบที่ไม่มีโทษตามมาไม่ใช่ทำแบบมีโทษเช่นไปขโมยเงินของคนอื่นเพื่อมาแจากให้คนนั้นคนนี้ อย่างนี้ไม่ถูกถ้าจะแจกเงินเอาเงินของเราที่เรามีอยู่ที่เราสามารถที่จะแบ่งให้คนอื่นได้นี้ดีทำแล้วไม่มีโทษถ้าไม่มีเงินให้ให้อย่างอื่นก็ได้ให้กำลังกายก็ได้ให้กำลังใจก็ได้เวลาใครเขาไม่มีกำลังจิตกาลังใจพูดให้กำลังใจเขาก็ได้ หรือถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือไม่มีใครช่วยซักเสื้อผ้าปาดบ้านถูบ้านให้เขาไปช่วยเขาปาดบ้านถูบ้านเช่ mm hmm. นคนชราคนพิการ mm hmm. คนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ <Yeah. S 1> เราสละกำลังกายก็ได้หรือเราสละความรู้ก็ได้ถ้าเรา มีความรู้ทางวิชาทางคณิตโดยที่ไม่ต้องคิดเงินให้ไม่ต้องคิดเงินคิดทองอันนี้ก็ให้เขาได้ความสุขได้ความรู้เอาได้ความรู้เขาก็ดีใจเขาไปเรียนหนังสือเขาได้คะแนนดีเวลาเขาเรียนจบเขาไปทำงานเขาก็หางานได้ง่ายกว่าคนที่ได้คะแนนไม่ดี นี่คือความคิดดีคิดที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขเรามีอะไรพอที่จะให้เขาได้ก็ให้เขาไปอย่างพระพุทธเจ้าท่านให้ธรรมะเพราะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะไม่มีอะไรในโลกที่จะดีกว่าธรรมะธรรมะนี่แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างขึ้นมา ด้วยการศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองด้วยการปฏิบัติทดสอบพิสูจน์จนเห็นแล้วว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงได้ค้นพบนี้เป็นของที่เลิศวิเศษเพราะถ้าผู้ใดได้เข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเข้าถึงแล้วผู้นั้นจะไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไปเรื่องของความทุกข์ใจนี้จะไม่มีเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก็ตาม จะสูญเสียใครไปก็ตามจะไม่ร้องห่มร้องไห้จะสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสูญเสี ย, ายสลาบยศสรรเสริญไปก็จะไม่ร้องห่มร้องไห้สูญเสียร่างกายนี้ไปก็ไม่ร้องห่มร้องไห้นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคุ้มครองรักษาให้ใจของเราไม่ทุกข์ไม่เศร้าโศกเสียใจ มีแต่ความสุขมีแต่ความสงบไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ตามใจนี้สามารถอยู่เหนือเหตุการณ์ต่างๆได้เหมือนกับคนดูภา พ, พยนตร์ภา พ, พยนตร์จะยิงกันฟันกันทิ้งระเบิดใส่กันตูมตามแต่ใจนี้เป็นเหมือนคนดูดูอย่างสบายไม่มีอะไรมา ก, กระทบกระเทือนใจ คนดูหนังนี้ไม่ไม่ได้เจ็บไปกับลูกกระสุนที่เขายิงกันในจอไม่ได้เจ็บไปกับลูกระเบิดที่เขาระเบิดใส่กันนี่คือธรรมะความรู้ที่จะแยกใจให้เราออกจากร่างกายให้ออกจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายและสิ่งที่ร่างกายได้ไปหามาได้ เนลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสแฟนสามีภรรยาลูกทธธิดาของอะไรต่างๆนี้เป็นเหมือนของที่อยู่ในจอภาพยนตร์ใจเป็นคนเหมือนคนมาดูภาพยนตร์ร่างกายจะเสียแฟนไปเสียลูกไปเสียสามีไปเสียทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองไป คนดูดูเฉยๆคนดูไม่ได้ไม่ไม่เสียกับร่างกายใจนี้ไม่ได้ไม่เสียอะไรกับร่างกายแต่ใจกลับไปเดือดร้อนแทนร่างกายร่างกายเขาไม่เดือดร้อนเพราะเขารู้ว่าเขาเล่นละครเหมือนเป็นตัวภาพตัวตัวแสดงหนังคนแสดงหนังเขาไม่เดือดร้อนเวลาเขาถูกยิงตูมตามถูกลูกระเบิดใสยตูมตามเพราะเขารู้ว่ามันเป็นของปลอม เวลาเขาถ่ายหนังนี่มีคนตายั้ยแต่เวลาเราดูหนังนี่เหมือนกับคนตายกันเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเรื่องของร่างกายนี้เป็นเหมือนเรื่องของภา พ, พยนตร์ไม่มีไม่มีใครตายจริงไม่มีใครเป็นจริงดาราภาพยนตร์ก็ไม่ได้เป็นตามที่เขาแสดงไม่ได้เป็นในพนในพันไม่ได้เป็น ระธานาธิปดีไม่ได้เป็นอะไร <Yeah. S 1> เขาเป็นตัวแสดงพอถ่ายหนังเสร็จเขาก็เขาก็ไปหาหนังใหม่ถ่ายต่อหนังเรื่องนี้ก็เล่นไปตามที่เขาให้เล่นไปพอตัวละครตายไปก็จบแต่ตัวแสดงไม่ได้จบมันเป็นการแสดงเท่านั้นเอง ร่างกายนี้มันก็ไม่ได้เป็นตัวจริงเป็นตัวสมมุตนะิเอาสมมุติขึ้นมาว่าเป็นนายกนายขอเป็นลูกของนางงอนางคอนะล้วก็เล่นไปตามบทบาทเล่นไปจนกว่ามันจะจบตนะัวละครทุกตัวที่มาเล่นนี่เดี๋ยวมันถึงเวลามันก็จบจบก็เท่ารงร ง, รงก็รงกนะ็รงศพ เขาจะเอาร่างกายนี้ใส่โรงไปแต่คนที่ดูร่างกายไม่ได้ไปใส่ไม่ได้อยู่ในโรงใจที่มาดูร่างกายทำอะไรต่างๆเศษอะไรต่างๆได้อะไรมาต่างๆใจไม่ได้ไม่เสียเพียงแต่เป็นคนดูเท่านั้นเองแต่ความหลงไปคิดว่าตนเองเป็นคนแสดงคิดว่าเป็นร่างกาย ก็เลยเดือดร้อนแทนร่างกายร่างกายมันไม่เดือดร้อนเนี่ยเช่นผมเนี่ยรองโกนอยู่เลยมันไม่มันไม่ร้องว่าอย่าโกนอย่าตัดเลยไอ้ตัวร้องคือใจเนี่ยใจมันไม่ได้ถูกตัดใจมันไม่มีผมนิดหน่อยทําไมมันไปเดือดร้อนแทนร่างกายเพราะใจมันหลงคิดว่าตนเองเป็นร่างกายพอเป็นร่างกายก็อยากจะให้ร่างกายสวยงาม การมีผมนี่มันทำให้ร่างกายดูสวยงามพอไม่มีผมแล้วมันดูน่าเกลียดเลยไม่อยากจะตัดผมกันไม่อยากจะโกนผมกันแต่โกนแล้วสบายจะตายไหมไม่ต้องมาดูแลรักษาผมพราให้เหนื่อยยากไหนต้องหาแชมพงแชมพูไหนจะต้องหาน้ำมุงน้ำมัน น้ำยงน้ำยาอะไรสารพัด ส, สารเ พ, เพื่อมาบำรุงรักษาเผ่าผมที่เวลามันตกมันไปในจานอาหารก็กลายเป็นของส ก, สกรปรกขึ้นมาเป็นของหน้ารังเกียจขึ้นมาเนี่ยร่างกายมันไม่เสียดายผมเนะนี่ยมันไม่ได้ร้องไห้ลองไปโกนผมดยแต่ตัวที่เสียดาย ก็คือใจเนี่ยคนดูเสียดายแทนร่างกายคนดูไม่อยากให้ร่างกายนี้โกนหัวอยากจะให้ร่างกายนี้ผมยาวยาวดูแล้วน่าน่าดูน่ารักเพราะอยากจะมีแฟนกันไม่อยากจะอยู่คนเดียวกันอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาถึงอยากจะมีแฟน ้ามีแฟนก็ต้องทำหน้าตาให้หน้าดูน่ารักถึงจะหาแฟนได้ง่ายหน้าตาหน้าตาไม่น่ารักนี่องโกนหัวดูไปหาแฟนยากไปสมัครประกวดนางงามก็ก็าไม่รับเพราะโลกนี้อยู่กับความหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นที่เกิดความสุข เลยต้องบำรุงร่างกายเสริมความงามของร่างกายเพื่อให้จะได้มีแฟนกันพอมีแฟนแล้วอยู่กับแฟนจะได้มีความสุขแต่มันสุขไปสักกี่วันบางทีเมื่อข้าวไม่ทันดําก็ตีกันแล้วทะเลาะกันแล้วถ้าไม่ตีกันถ้ารักกันก็ห่วงกันนี่ห่วงกันนี่ ใครมาแตะไม่ได้ใครมาพูดมาคุยกับแฟนหน่อยไม่ได้แฟนไปไหนคนเดียวไม่ได้ต้องตามเฝ้าเหมือนกับเป็นนักโทษกลัวเดี๋ยวรับหลังไปแอบมีแฟนที่ไหนอีกเนี่ยไปหาความทุกข์ใส่ตัวเองอยู่คนเดียวแสนสบายไม่ต้องไปกังวลกับแฟนว่าเขาจะไปทำอะไรกับใคร พอมีแฟนแล้วต้องกังวนลนะแล้วยังต้องเป็นเหมือนคนเป็นทาสเขาอีกจะไปไหนก็ต้องขออนุญาตจะทำอะไรเมื่อก่อนทำได้สบายทำได้ทันทีพอมีแฟนนั้นต้องขออนุญาตบอกแฟนก่อนว่าจะไปทำนูน่นทำนี่ล้วแฟนไม่อยากให้ไปก็ไปไม่ได้ ่ความหลงทำให้เราไปหาความทุกข์กันใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันแล้วก็ได้ความสุขเพียงเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่เป็นความทุกข์ทุกทางใจเพราะเราไม่มีธรรมะพระพุทธเจ้าจึงไม่แจกอะไรไม่ให้อะไรให้ธรรมะ ท่นไม่ไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นนี้ให้ไปหาให้แจกเงินแจกทองให้ช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยาก<ช>เพื่อที่จะให้เขามีศรัทธานในศาสนาของเขาศ า, าสนาของฝรั่งนี่เขามาเมืองไทยนี่เขาต้องมาสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลเพื่อจะได้ดึงคนเข้ามา ขอเข้ามาล้วก็จะได้สอนคำสอนของเขาแต่ศาสนาพุทธนี้แทนที่จะแจกกลับไปขอสอกขอให้ใส่บาทให้กับพระขอให้ทาบุญสร้างวัดสร้างอะไรกันอันนี้เพราะว่าการให้ทรัพย์สมบัติให้เกินทองนี้มัน มีประโยชน์น้อยกว่าการให้ธรรมะให้เงินทองมันก็เพียงแต่ทำให้ร่างกายอยู่สุขสบายไม่เดือดร้อนสร้างโรงเรียนให้เขาเรียนหนังสือเขาก็จะได้มีวิชาความรู้ไปทำมาหากินสร้างโรงพยาบาลให้เขามารักษาร่างกายแต่ไม่สามารถที่จะมาทำให้ใจเขาสงบทำให้ใจเขาไม่วุ่นวายได้ แต่ให้ธรรมะนี้จะทำให้ใจสงบทำให้ใจไม่วุ่นวายจะทำให้ใจไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆศาสนาพุทธจึงไม่ได้เน้นไปในเรื่องของการที่จะให้ข้าของเงินทองต่างๆแต่สอนให้ผู้ที่มาศึกษานี้ให้แบ่งปันกัน แต่ตัววันเองตัวศาสนาเองไม่มีหน้าที่ที่จะไปหาเงินทองมาเพื่ อ, อสงเคราะห์คนยากคนจนไม่มีหน้าที่หาเงินหาธรรมะด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติเมื่อได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วก็จะบรรลุธรรมมีธรรมพอมีธรรมก็เอาธรรมนี้มาสั่งสอนผู้ที่สนใจผู้ที่มีความทุกข์ทางใจ พอได้มาศึกษาได้ยินได้ฟังทำแล้วนําเอาไปปฏิบัติก็จะหายจากความทุกข์ใจถ้าให้เงินให้ทองความทุกข์ใจก็ไม่หายทําได้ก็บรรเทาความทุกข์ทางร่างกายเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้เงินทองไปซื้อยุกยามารักษาไม่มีอาหารก็เอาเงินทองไปซื้ออาหารมารับประทานก็ เยียวยาทางร่างกายแต่ไม่สามารถเยียวยาทางจิตใจได้พระพุทธเจ้าจึงไม่หาเงินหาทองเพื่อที่จะมาสงเคราะห์คนยากคนจนแต่พระพุทธเจ้าทรงสร้างคนสร้างธรรมะด้วยให้คนให้คนที่สนใจธรรมะมาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวก แล้ว เ, เอาความรู้คือธรรมะนี่ไปเผยแผ่สั่งสอนสอนให้พวกญาติโยมนี่แหละช่วยกันสอนให้ทาบุญทาทานกันให้แบ่งปันกันไม่ให้ตนีไม่ให้ขี้เดียวไม่ให้หวงทรัพสมบัติไม่ให้โลภอยากได้ทรัพสมบัติเป็นของตนเพียงคนเดียวได้มาแล้วควรจะแบ่งกัน เพราะคนเรานี้มีความสามารถในการหาทรัพย์ไม่เท่ากันคนที่หาได้มากก็ต้องแบบให้คนที่หาได้น้อยเพื่อที่ทุกคนจะได้อยู่อย่างสุขสบายอันนี้เป็นคำสอนเป็นธรรมะที่จะสอนให้มนุษย์เราอยู่กันอย่างมีความสุขถ้าทุกคนมีรู้จักให้นโลกนี้จะไม่มีสงคารามแต่โลกนี้มันมีสงคารามเพราะว่าโลกนี้ คนไม่ชอบให้กันคนมีแต่อยากจะได้กันพออยากจะได้ก็แย่งกันพอแย่งกันก็ต้องตีกันทำสงครามต่อกันฆ่ากันฟันกันเพราะขาดคําสอนที่สอนให้เรามาให้กันให้มาแบ่งกันมีมากมีน้อยก็แบ่งกันไป ไม่จำเป็นที่จะต้องมีมากมายกายกองเก็บไว้เพียงคนเดียวคนเดียวมีเงินที่คนเป็นร้อยใช้ได้แต่คนเป็นร้อยไม่มีเงินใช้อยู่อย่างยากลำบากแต่คนหนึ่งมีเงินแต่ไม่ให้ใครเก็บไว้ใช้คนเดียวอย่างนี้เรียกว่าไม่มีธรรมะคนที่มีธรรมะเขาจะ ทำอย่างนี้ไม่ลงเขามีอะไรเขามีความสุขอะไรเขาก็อยากจะแบ่งปันความสุขนั้นให้แก่ผู้อื่นไปนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าคือธรรมะเนี่ยอันนี้ดีกว่าให้พระมาหาเงินแล้วเอาเงินมาแจกให้กับคนยากคนจนสอนให้ญาติโยมนี่แหละมาช่วยกัน หน้าที่หาเงินหาทองห้าที่ที่เอาเงินมาแจกมาจ่ายมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์องค์เจ้าแต่สมัยนี้บางทีพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็หลงผิดท่านคิดว่าท่านมาบวชแล้วท่านมาศึกษามาปฏิบัติท่านไม่ช่วยโลกไม่ช่วยทางโลกเขามันไม่ใช่หน้าที่ของคนมาบวช คนมาบวชนี้มาศึกษาเพื่อมาหาธรรมะคำสอนอันประเสริฐสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคุ้มครองรักษาใจของผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วให้เอาคำสอนนี้ความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นนี้ได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์ต่าง นี่คือความแตกต่างของพุทธศาสนากับศาสนาอื่นๆศาสนาอื่นๆเขามักจะมีของแจกของอะไรแต่ศาสนาพุทธนี้แจกแต่ธรรมะเป็นหลักให้ความรู้ให้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาใจของผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆแล้วให้เอาความรู้นี้ไปสอนคนอื่นต่อ คนอื่นที่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนก็จะหายทุกข์ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมีทองความทุกข์นี้ไม่ได้ดับหรือเกิดจากการมีทองหรือไม่มีทองไม่มีเงินทองคนที่ไม่มีเงินทองก็ไม่มีความทุกข์ได้คนที่มีเงินทองก็มีความทุกข์ได้เพราะเงินทองไม่ได้เป็นเหตุที่ทาให้คนทุกข์หรือไม่ทุกข์ เหตุที่ทําให้คนทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็คือความพอหรือไม่พอถ้ามีคําว่าพอแล้วไม่ทุกข์ถ้ามีคําว่าไม่พอนี่ทุกข์ตอนนี้พอกันหรื อ, อยังถ้าไม่พอแล้วเป็นไงสุขแล้วทุกข์กันทําไมไม่เอาคําว่าพอกันง่ายอย่าตายไปบอกว่าพอไม่ต้องการอะไรแล้วอยู่อย่างนี้พอแล้วตามมีตามเกิด มีเท่าไหร่ก็ก็มีไปหามาได้เท่าไหร่ก็อยู่กับมันไปไม่ต้องไปดิ้นรนหาอะไรมาเพิ่มหรอกหามาแล้วมันไม่ได้สุขมากกว่าที่มีอยู่ในขณะนี้หรอกกลับจะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเพราะสิ่งที่เราได้มานี้มันก็ต้องทำให้เรากังวลทำให้เราติดมันนะพอเวลาไม่มีมันขึ้นมาก็เดือดร้อนคนที่ไม่เคยติดกาแฟนี่พอไปติดกาแฟดูสิ พอไม่มีกาแฟกินมันเดือดร้อนนะคนที่ไม่ติดกาแฟไม่เคยกินกาแฟนี่เหมันเดือดร้อนนะไม่มีกาแฟก็ไม่กินเดือดน้ำเปล่าปล่ก็ได้นี่แหละคําว่าพอพอใจไหมตอนนี้เราหัดมาเขียนคําว่าพอกันสองตัวนี่เอพอพานก่ออา่างท่องไม่ไปภายในใจพอแล้วพอแล้วไม่อยากจะได้อะไรแล้วทุกแค่นี้ก็พอแล้ว อยากจะมีน้อยกว่านี้ต้องลดสิ่งที่เรามีให้น้อยลงไปอันไหนที่ไม่จำเป็นลดมันไปเสื้อผู้เสื้อผ้ามีมากเกินไปก็เอาไปแจกคนที่ยากจนไปรองเท้ามีมากเกินไปก็เอาไปแจกกระเป๋ากระเป๋าอะไรต่างๆของที่มันมีมากเกินไปเอาไปแจกคนอื่นเอาให้มันเหลือแค่แปดชิ้นเหมือนกับพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าสอน ให้มีแค่สมบัติ8ดชิ้นเท่านั้นสำหรับคนที่มาบวชนให้มีบาทหนึ่งใบหนึ่งชิ้นมีผ้าสามผืนเป็นสี่ชิ้นมีเข็มขัดรัดเอวเป็นห้าชิ้นมีมีดกนหนวดกนผมหชิ้นมีเข็มกระได้ไววปะเย็บจีวรเจดชิ้นแล้วก็มีที่กรองน้ำ เวลาตักน้ําในป่าตักน้ําจากลําธงลำธาร น, นี้มันมีตัวสัตว์ต้องใช้ที่ตักที่มีที่กรองเพื่อจะได้ไม่ตักเอาตัวสัตว์ขึ้นมาดื่มามารับมันมาใช้เนี่ยมีสมบัติแค่นี้พอแล้วอยู่อย่างมีความสุขเนะชื่อไหมพระพุทธเจ้ามีสมบัติแค่นี้แหละท่านเกิดเป็นพระราชาโอรสคิดดูสิท่านสละมากน้อยเพียงไรแต่สิ่งที่ท่านสละท่านไม่ได้เสียดายเลย เพราะท่านเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขมีแล้วมันเป็นภาระทางใจมีแล้วก็ต้องกังวลต้องห่วงต้องห่วงแล้วก็ต้องเสียใจเวลาที่มันจากเราไปแล้วก็ต้องจากกันในที่สุดไม่ช้า ก, ก็เร็วเน้นจากมันเสียแต่อตอนนี้ดีกว่าจากกันทั้งตายยังไม่ตายดีกว่า อย่างตอนนี้ยา่าโยมมาอยู่ว่าเนี่ยมีเสื้อผ้ากี่ชุดกันนะสามชุดก็พอแล้วใช่ไมอมชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สำรองอพอแล้วจะเอาอะไรมามากมายไปกว่า น, นี้สบายไหมไม่ต้องมากังวลว่าวันนี้จะใส่เสื้อสีไหนดีกางเกงสีไหนดีกระโปรงสีไหนดีรองเท้าสีไหนดีกระเป๋าสีไหนดีอ้วนวายไปหมดมันก็เหมือนกันเนี้ยมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกัน รองเทาง้าก็รองเท้าเหมือนกันกระเป๋าก็เหมือนกันกระเป๋าสมัยนี้ใช้ถุงพลาสติกดีกว่าจะตายไหยไม่เปียกน้ำํำถาดก็เปลี่ยนได้ถูกใบไม่กี่ตังเงีย้ยไม่ต้องเสียเงินซื้อของมาก็มีถุงพลาสติกมาแล้วทำไมเสียเงินเป็นพันเป็นหมื่นไปซื้อกระเป๋ามาใส่ของเดี๋ยไม่ไดีของที่ใส่มันราคามันไม่ไม่เท่ากับราคาของกระเป๋าทีอได้ซ้ํำไป นี่มีอะไรแล้วมันทุกแล้วมันก็ไม่พอมีกระเป๋ากี่ใบแล้วยังอยากได้ใช่ไมีรองเท้ากี่คู่แล้วยังอยากได้ใช่ไมีเสื้อผ้ากี่ชุดแล้วยังอยากได้ใช่ไหมมีแฟนกี่คนแล้วยังอยากจะได้ใช่ไ่าถ้าเปลี่ยนถ้ามีแฟนมีมีแฟนแบบมีเสื้อผ้าได้รับรองว่าไม่ได้มีคนเดียวอมีเป็นสิบ่ะ สมัยนี้คนที่เขาไม่เชื่อเรื่องศาสนาเนี่เขาเดี๋ยวนี้มีแฟนกันเป็นสิบมีแฟนเหมือนมีเสื้อผ้าเหมือนมีรองเท้าเปลี่ยนแฟนเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนเปลี่ยนรองเท้ากันแล้วมันมีความสุขไหมมันพอไหมแล้วมันยังทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่สิ่งใดที่เรามีสิ่งนั้นอ่ะมันจะให้ความทุกข์กับเรา ถ้าเราไม่มีมันก็ไม่สามารถให้ความทุกข์กับเราได้คนท <Okay. S 1> ี่มีแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟนคนที่ไม่มีแฟนก็ไม่มีแฟนที่จะทุกข์ด้วยคนที่มีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกคนที่ไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกข์กับลูกคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติเงินทองก็ไม่ต้องทุกข์กับทรัพย์สมบัติเงินทองคนที่ไม่มีตำแหน่งก็ไม่ต้องทุกข์กับตำแหน่ง เห็นไหมเห็นชัดชัดไหมว่าสิ่งต่างๆที่เราหากันอยากได้กันนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแต่มันตาบอด ก, กันมองไม่เห็นทุกข์กันเห็นทุกข์กลายเป็นสุขไปหมดเห็นลาบยศสารเสรินี่คิดว่าเป็นสุ ข, ขกันเราก็มาร้องห่มร้องไห้กันทีหลังมาทุกข์กันกินไม่ได้นอนไม่หลับกับทรัพย์สมบัติกับลาบยศสารเสริญ กับรูปเสียงกิน่นรสเพราะเราไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่มีธรรมะมาสอนให้เรารู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขกันพระพุทธเจ้าสอนพวกเราแล้วว่าความสุขก็คือการคิดดีพูดดีทำดีทำดีแล้วจะทำให้ใจเราสงบใจสงบแล้วก็จะมีความสุขอันนี้แหละคือความสุขที่แท้จริงนอกกนั้นเป็นทุกข์หมด ราบยศจ ะ, ะเสริมรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นสุขความสุขก็คือการทำความดีการทำทานการไม่ทำบาปการรักษาสิลงการภาวนาการทำใจให้สงบนี่แหละคือสิ่งศักดิก์สิทธิ์นี่แหละคือความดีทำแล้วจะทำให้ใจเรามีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์ พระพุทธเจ้าถึงสอนให้คนมาบวชว้ไม่ต้องมีอะไรมีเท่าที่จําเป็นพระมีแค่มีจีวรหนึ่งสำรับก็พอละสามผืนเรียกว่าตายจีวรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเมื่อยู่วัดก็สามชุดก็พอชุดขาวสามชุดก็พอแล้วชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สํารองไว้เผื่อวันไหนฝนตก ตากแล้วไม่แห้งก็จะได้มีชุดสำรองก็เหมือนพระมีสามชิ้นเหมือนกันสามชุดถ้าจะกินข้าวก็มีจานใบเดียวก็พอช้อนหนึ่งช้อนก็พอแก้วหนึ่งใบสบายจะได้ไม่ต้องล้า ง, งจานมากมีจานมากก็ต้องล้างจานมากมีถ้วยมากก็ต้องล้างถ้วยมาก มีช้อนมากก็ต้องล้างช้อนมากพระท่านเพงให้ฉันในบาตรเลยไม่ต้องมีถ้วยมีจานมีชามไม่ต้องมีช้อนพระนี่ท่านฉันในบาตรที่ทนฉั น, นด้วยมือไม่ต้องใช้ช้อนอาหารอะไรก็ใส่เข้าไปในบาตรกินเข้าไปเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในท้อง ก็ให้มันรวมในจานนี่ก็ได้ไม่ต้องไปแยกจานแยกชามเราจะกินอาหารอะไรใส่ไปในชามมาเดียวเลยทุกอย่างอาหารขาวหวานอะไรที่จะเข้าไปในท้องก็ใส่ไปในชามอันนี้ในจานอันนี้แล้วถ้าจะกินแบบมีความสุขจริงๆก็ต้องคลุกมันเลยของขาวของหวานผลละมงผลละไมเงง้เครื่องดื่มเทมันเข้าไปในชามนั่นเลย เดี๋ยวมันก็ลงไปรวมกันในท้องถ้ากินแบบนี้ได้จะมีความสุขกับการกินเชื่อมนะั้ยจะไม่ทุกข์กับเรื่องอาหารจะไม่จู้จี้จุกจิกไม่กินอย่างนั้นก่อนกินอย่างนี้หลังเดี๋ยวมันก็ลงไปรวมกันในท้องอยู่ดีถ้าจะกินอย่างมีความสุขใจต้องคุก ม, มันเลยคนมันเข้าไปเลยอาหารไหนที่จะไปรวมกันในท้องก็ให้มันรวมในชามไปก่อนนะกินอย่างนี้สบาย สบายใจมีอะไรก็กินได้วิธีที่อยากจะทําให้กินแบบนี้ได้ก็ต้องอดข้าวก่อนก่อนจะเริ่มกินแบบนี้ไปอดข้าวสักสามวันก่อนพออดสามวันแล้วเห็นข้าวนี้แม้แต่ข้าวคุกน้ําปลาก็อร่อยเห็นอะไรก็กินได้หมดแต่ถ้ากินมาสา ม, มื้อ น, นี้พอมาต้องกินแบบนี้จะกินไม่ลง งั้นถ้าอยากจะกินแบบง่ายๆกินแบบสบายใจหยุดกินนัก3ามวันก่อนแล้วพอวันที่สามนี่เอาเอาข้าวคุกคุกในชามในกะละมังมาให้เราเนี่ยเห็นอะไรกินได้หมดตักกินได้หมดอร่อยไปหมดแล้วจะไม่วุ่นวายกับเรื่องการกินอาหารมีอะไรก็กินได้ วันไหนถ้าเรามีปัญหาเรื่องกินอาหารก็อย่าไปกินมันสักสองสามวันรับรองได้ว่าข้าวเปล่าๆก็อร่อยถ้าอดข้าวไปสักสามวันนี้เห็นข้าวเปล่ า, าเห็นก็อยาก็กอร่อยอยากจะกินละไม่ต้องมีกลับไม่ต้องมีอะไรก็ได้นี่คือการสร้างความสุขทางใจเราต้องกบจัดความ อยากต่างๆความอยากนี่แหละที่ทำให้เราไม่มีความสุขกันเฮ็นต้องเอาเอาแบบให้มันพอคืออาหารก็บังคับให้มันกินเท่าที่จําเป็นอย่าให้มันกินมากเกินไปถ้ามันกินไม่ลงก็ไม่ต้องกินไม่กินสักสองสามวันเดี๋ยวอะมันก็กินลงเองเห็นอะไรมันก็อยากกินเอง กินได้หมดไม่ต้องไปขับรถหาร้านอร่อยอร่อยกินที่ต้องไปหาร้านนูน่นน้านี้เพราะว่ามันของที่เคยกินมันเบื่อกินมากเกินไปมันเลยเบื่อมันจําเจเลยต้องขับไปขับรถไปหาร้านอร่อยอร่อยที่อาหารที่ไม่ได้เคยกินกันมันกินก็เพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เท่านั้นแหละ ความสุขทางใจมันไม่ได้เกิดจากการไปกินอาหารตามที่เราถูกใจหรอกมันก็สุขเพียงเฉพาะเวลาที่เราได้กินอาหารที่ถูกใจพอไม่ได้กินอาหารที่ถูกใจก็ทุกข์แล้วเั้นหัดมาใช้อยู่แบบแบบพระพุทธเจ้าสอนให้อยู่อยู่แบบมากน้อยสันโดษมากน้อยก็เอาน้อยๆ เ, เสื้อผ้าสามชุดก็พอ รองเท้าหนึ่งคู่ก็พอกระเป๋าก็ใช้ถุงพลาสติกก็ได้ไม่ต้องมาดูแลรักษาให้มันยุ่งยากเราจะอยู่อย่างสบายเพราะจะไม่มีอะไรที่จะทำให้เราต้องหวงต้องห่วงต้องเสียใจเวลาที่มันจากเราไปนี่แหละเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือความสอนให้เราทําความดีสร้างความดีความดีนี่แหละที่จะทําให้เราสุขให้เราจเจริญที่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้พระอาหารหันต์เป็นพระอาหารหันต์ได้ก็เพราะท่านทําความดีกันท่านแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองให้แก่เพื่อนร่วมโลกท่านไม่เบียดเบียนกันท่านไม่ฆ่าไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่พูดปดไม่เสพสลายาเมาและอบายามุขต่างๆเช่นเล่นการพนันเที่ยวเที่ยวหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆท่านไม่มีความเกียดคร้านท่านไม่คบคนไม่ดีเป็นมิตรอันนี้เป็นการกระทําที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาเป็นการกระทําที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไป แล้วท่านก็ภาวนาควบคุมใจหยุดความอยากต่างๆถ้าหยุดความอยากได้ความพอก็จะเกิดขึ้นมาเองความพอกับความอยากนี่มันเป็นคู่ต่อสู้กันเป็นข้าศึกกันถ้ามีความอยากมันก็ไม่พอถ้ามีความพอมันก็ไม่อยากยาเรามาทำความพอให้เกิดด้วยการหยุดความอยาก ที่จะหยุดความอยากก็หยุดความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเดี๋ยวคิดแล้วมันก็อยาก <ız> คิดถึงแฟนก็อยากจะกลับไปหาแฟนคิดถึงลูกก็อยากจะกลับไปหาลูกคิดถึงสมบัติข้าของเงินทองก็ต้องกลับไปหาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองถ้าไม่คิดถึงเขาก็ไม่ก็ไม่มีความอยากไม่มีความอยากก็อยู่อย่างสงบนะอยู่อย่างเฉยเฉยได้ ที่อยู่กันไม่ได้ก็เพราะความอยากมันคอยดันคอยผลักเราเวลาเกิดความอยากแล้วมันหงุดเหงิดําคาญใจถ้าไม่ได้ทําตามความอยากอยากไปเที่ยวนี้ต้องต้องไปเที่ยวถึงจะหายถึงจะหายหงุดเหีิดอยากจะเจอแฟนนี้ต้องไปพบแฟนถึงจะหายหงุดหงิดอยากจะได้อะไรถ้ายังไม่ได้นี่มันก็จะหงุดหงิดลาคาญใจพอได้มาแล้วก็ หายงุนเกลีชั่วคราวเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาหม่อยากอย่างอื่นได้สิ่งนี้แล้วก็อยากจะได้สิ่งนั้นใหม่ได้สิ่งนั้นแล้วก็อยากได้สิ่งนู้นอยากไปเรื่อยๆเกิดตั้งแต่เกิดมาได้อยากมากี่กี่รอบกี่ครั้งแล้วแล้วมันเคยหยุดความอยากได้ไหมพะพุทธเจ้าบอกวิธีจะหยุดความอยากก็ใช้มากน้อยสันโดษมากน้อยเอาเท่าที่จาเป็น อะไรที่จำเป็นต้องมีก็มีแต่อย่าให้มันมีมากเกินความจำเป็นอย่างเสื้อผ้าสามชุดก็พอลวมากกว่านั้นก็เป็นภาระไปเปล่าๆต้องซักมากขึ้นต้องดูแลมากขึ้นต้องหาที่เก็บมากขึ้นอาหารก็กินวันละมื้อก็พอกินมากเกินไปก็ทำให้ร่างกายเกิดโครคภัยไข้เจ็บได้ โรคภัยสมัยนี้เกิดจากการกินมากเกินไปไม่ใช่เกิดจากการกินน้อยเกินไปโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันอุดตันโรคอะไรต่างๆนี้เกิดจากเรื่องการกินนันะ้นกินมากเกินไปแทนที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับกลายเป็นโทษไปเพราะการไม่รู้จักคำว่ามากน้อยสันโดษ คว่ า, าสันโดษก็คือให้ยินดีตามมีตามเกิดถึงแม้ว่าจะได้น้อยกว่าสิ่งที่จำเป็นก็ให้ยินดีไปถ้ามันได้แค่นี้เจนจำเป็นต้องมีสามชุดแต่มีอยู่สองชุดก็เอามันแค่สองชุดไปก่อนจนกว่าจะหาได้ใหม่ถ้ายังหาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปถ้ามีชุดเดียวก็อยู่กับชุดเดียวไป อย่าไปดิ้ น, นรนแล้วจะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์ถ้าสัสนโดดได้นีอยู่ที่ไหนอยู่กับอะไรมันอยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันตายไปสันโดดนี้ต้องยินดีกับการอยู่และยินดีกับการตายเมื่อถึงเวลาอยู่ไม่ได้ก็ให้มันตายไปถ้าสันโดษแบบนี้แล้วจะไม่มีความทุกข์ถ้าร่างกายมันอยู่ไม่ได้ ก็ยินดีกับการอยู่ไม่ได้ของมันถ้ามันยังอยู่ได้ก็ยินดีกับการอยู่ของมันไปถ้าเรามีสันโดษนี่เราจะมีความพอตลอดเวลามีอะไรมากน้อยก็พอเพราะว่าเราสันโดษเราพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วชีวิตของเรานี้จะมีแต่ความนุ่มเย็นเป็นสุข ดีกว่ามีอะไรมากมายกายกองแต่ยังไม่พอแล้วก็ไปกู้หนี้ยืมสินแล้วก็ไปเครียดกับการใช้หนี้ใช้สินใช้ไม่ได้ก็ทุกข์อีกกลัวจะสูญเสียสิ่งที่ไปซื้อมาซื้อบ้านมาซื้อรถมาผ่อนไม่ไหวเดี๋ยวเขาก็ต้องยึดไป เาขาค่อยยุดไปก็เสีย อ, อกเสียใจไม่มีรถก็เดินได้แท็กซี่ก็มีรถเมย์ก็มีสองแถวก็มีไม่เห็นจะเป็นปัญหาเลยไม่มีก็เดินถ้าเดินไม่ได้ก็ไม่ต้องไปไหนไปทำไมไปแล้วได้อะไรทุกวันนี้เราออกไปข้างนอกกลับมาเราได้อะไรได้แต่ความเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้านเฉยๆสบายๆกลับอยู่กันไม่ได้ ถ้าได้สิ่งของกลับมาก็ได้กองความทุกข์กลับมาอาีได้ความห่วงได้ความห่วงกลับมาอาีได้อะไรมาแล้วก็ต้องมาห่วงมาห่วงเนี่ยพอได้รถมาใหม่คันหนึ่งห่วงไหมห่วงไหมได้แฟนนอนห่วงไหมห่วงไหมออกไปหาความทุกข์กันเท่านั้นอยู่บ้านเฉยๆสบายสบา ย, บายไม่เอากันเพราะอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีสันโดษ ไม่มีความนักน้อยเพราะควบคุมใจควบคุมความอยากไม่ได้คนที่ควบคุมความอยากได้นี่จะมีนักน้อยสันโดษฉะนั้นต้องมาภาวนาเพื่อมาหยุดความอยากกันพอหยุดความอยากแล้วเราจะยินดีตามดีตามเกิดได้เราจะนักน้อยได้แล้วเราจะไม่วุ่นวายไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาสิ่งต่างๆมาให้เป็น พาละทางจิตใจเป็นพาละทั้งขณะที่ไปหาเวลาไปหาอะไรนี่มันเหนื่อยมะหาเงินหาทองหาข้าหาของนี่มันเหนื่อยมะหาได้มาแล้วต้องมาดูแลรักษามันอีกเหนื่อยไหมแล้วเวลามันเสียไปหายไปจากเราไปก็ทุกข์อีกนั่อย่าไปมีอะไรเลยของในโลกนี้ราบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรส แฟนเฟิสามีภรรยาบุตรธิดาอะไรทั้งหลายนี่ยไปมีมันอยู่คนเดียวแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอรหันต์ดีกว่าสบายปรามังสุขขังอยู่ตรงนั้นอยู่กับความว่างอยู่กับความไม่มีเพราะถ้ามีอะไรมันก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่มีทันทีนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราไม่รู้กัน ที่พวกเราไม่ต้องไปขอใครขอไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ต้องสร้างกันขึ้นมาโดยอาศัยคนที่รู้จักวิธีสร้างคือพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกไปศึกษากับท่านว่าวิธีสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาที่จะมาคุ้มครองรักษาเราให้เราอยู่อย่างมีความสุขไม่มีความทุกข์นั้นทำอย่างไรท่านก็จะบอกว่าคิดดีพูดดีทาดี ด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองรักษาชีวิตของเราให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขให้ปราศ จ, จากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆนี่คือสิ่งที่พวกเรามาวัดกันมาหากันเมื่อเรารู้แล้วก็ขอให้ ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการหาสิ่งศักดิ์สิทธ์เหล่านี้โดยการทำดีคิดดีพูดดีทำได้ทุกแห่งอยู่ในวัดก็ทำได้อยู่นอกวัดก็ทำได้กลับไปบ้านก็ทำทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้แต่เราไม่ชอบทำกันพอกลับไปบ้านก็ไปหาราบยศเสริญหารูปเสียงกลิ่นรดกันแล้ว ก, ก็ไปร้องห่มร้องไห้ไปทุกข์กับมันไม่เข็ดเหมือนคน เลือกยาเสพติดเวลาไปอยู่ที่บําบัดก็ไม่ได้เสพพอกลับออกจากสถานที่บําบัดไปไม่กี่วันกลับไปเสพอีกแล้วไปติดอีกแล้วพวกเรากําลังมาอยู่สถานบําบัดกันบําบัดยาเสพติดทางใจคือราบยศสรรเสริญ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เสพกันเป็นไงสบายไหม เดี๋ยวพอกลับไปไปเสพใหม่เดี๋ยวก็ทุกข์อีกเดี๋ยวก็ร้องห่มร้องไห้ถ้าไม่เขตก็ช่วยไม่ได้เพราะคนที่จะทุกข์ก็คือเรานั่นแหละคนสอนไม่ได้ทุกข์ด้วยคนสอนมีหน้าที่สอนก็สอนไปคนฟังจะเอาไปปฏิบัติก็เอาไปปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติได้ก็จะไม่มีความทุกข์ปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องไปร้องห่มร้องไห้ นั่นก็ต้องกลับมาบำบัดใหม่ก็คิดว่าวันนี้พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรมีผู้แจ้งมานะครับว่า Facebook Live เนี่ยสามารถซื้อซิมของดี a ท็ที่ดูที่เล่น Facebook ได้ฟรีครับอ่าไม่รู้สึกจะไม่กี่บาทเนี่ยแล้วจะดู Facebook l i ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็น Facebook ใช่ไหมครับ ก็จะค่อนข้างถูกถ้าใครประหยัดดูก็ให้ไปซื้อซิม d ีแท็รุ่นที่ใช้เ c e b o ๊ k <Facebook S 2> <Okay. S 1> ได้ฟรีครับมีผู้แจ้งมาครับม mm hmm. ีใครจะถามคำ mm hmm. ถ, ถามเชิญก่อนเลยนะครับกรานะมธรมศาสการค่ ะ, ระอาจารย์คือมีคำถามจากการปฏิบัติเวลาเราปฏิบัตินะคะสิทธิ์มันคอยแต่จะร า, ามาสุหรือว่าปรามาอลาสนาไจคะ่ะเราจะ กำจัดหรือว่าทำตรงจุดนี้ยังไงคะประมาจอย่างไ ร, ะะรงไล่ะเอ่อบางทีมันหมือนมีวิชาที่ผิือความคิดที่ไม่ดีเช่นเวลาเราเคยเห็นพระสงฆ์บินทาบาทอะไรเงี้ยแต่ว่าจังเอิญท่านไปยืนในจุดที่เป็นเมื่อก่อนจจะไปขอทานยืนอยู่หรืออะไรเงี้ยคะ่ะจิตมันก็จะเหมือนคิดว่าเอ้ยเหมือนขอทานเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เราต้องแยกแยะให้ว่าทุกวันนี้ศาสนานีน ค่อนข้างจะเสือ่อเพราะผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัติมาบวชไม่ให้ความสนใจต่อการศึกษาคำสอนที่ถูกต้องแล้วก็ถูกสอนมาแบบผิดๆถ่ายทอดกันมาก็เลยทำให้ปฏิบัติแล้วทำให้เกิดความเสื่อมศรัทธาของผู้ที่ได้พบเห็นเราก็ต้องรู้จักแยกแยะว่าพระที่ท่านมาศึกษามาปฏิบัติ แล้วท่านปฏิบัติแล้วเห็นเราททำให้เกิดศรัทธาก็มีอยู่เราก็ต้องแยกแยะว่าทุกวันนี้เรามีของของจริงกับของปลอมพูดง่ายๆเหมือนกับเวลาเราไปซื้อทองเนี่ยเราต้องรู้จักดูทองเป็นถ้าเราดูทองไม่เป็นนี่เดี๋ยวเราถูกหลอกซื้อทองเกมากันส่วนหนึ่งก็เพราะเราเองก็ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ได้ศึกษากันอย่างนึกซึ้งก็เลยไม่รู้ว่ า, าพระแท้พระปลอมเป็นยังไงพอเห็นพระปลอมก็ไปคิดว่าเป็นพระแท้ก็เลยเกิดความเสื่อมศรัทธาขึ้นมาปมา마ศขึ้นมาเาังั้นเราต้องรู้จักว่ า, าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นท่านปฏิบัติกันอย่างไร คนที่เขารู้เขามักจะไปไปทำบุญกับพระป่ากันเพราะาพระป่านี่ท่านบวชเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจริงๆท่านไม่ได้บวชเพื่อใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือทรมาหากินคนบางคนนี่เขาเห็นว่าการมาบวชเป็นพระนี่มันง่ายกว่าเป็นขอทาน เป็นขอทานนี่ถือกระลาถือกระแปงถือขันไปขอเงินนี่บางทีก็โดนเขาด่าโดนเขาไล่แต่ถ้าถือบาทเดินไปไหนนี่คนจะกราบไหว้แล้วก็ยินดีใส่บกใส่บาทใส่เงินใส่ทองใส่ข้าวใส่ของให้ก็เลยคิดว่าดีกว่าเป็นขอทานมาบวช ด, ดีกว่าถึงแม้ว่าจะบวชตามหลักตามธรรมเนียมแต่ถ้าไม่ปฏิบัต ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังจะถือว่าเป็นเหมือนกับภาพปลอมได้อยู่เหมือนกับพวกที่ไม่ได้บวชถูกต้องตามประเพณีเช่นไปซื้อเสื้อไปซื้อจีวรมาจากร้านแล้วก็เอามาห่มไปซื้อบาตรเช้าก็ออกไปบินตบาตรกลับมาก็มากลับมานั่งนั่งดื่มสุราเล่นไพ่กันมันก็ไม่ต่างกันถึงแม้ว่าจะ พวกหนึ่งบวชแบบว่าถูกต้องไปบวชกับวัดกับอะไรแต่การปฏิบัติก็คล้ายคลึงกันอย่างนี้ก็อย่าไปสนใจเราก็ต้องรู้ว่ า, าศาสนาที่แท้จริงไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ทุกวันนี้ขาดการดูแลาศาสนาก็เลยมีของแปลกปลอมเข้ามาถ้าเปรียบเทียบเหมือนสนามหญ้าถ้าไม่มีคนคอย ดึงหญ้าที่ที่ไม่ดีออกไปสนามหญ้ามันก็จะมีหญ้าที่ไม่ดีถ้าสนามหญ้าที่มีคนเขาดูแลรักษาเนี่ยเขาจะคอยดึงหญ้าที่มันไม่ใช่เป็นหญ้าที่เขาปลูกหญ้ามันก็จะดูสะอาดเรียบร้อยเช่นสนามกอล์ฟเนี่ยเขามีคนดูแลหญ้าเขาถึงดูแล้วสวยงาม แต่ถ้าสนามไหนที่ไม่มีคนดูแลนี่มันจะมีญ่าอื่นโผล่ขึ้นมาแล้วนะทําให้ดูไม่สวยงามเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดก็คือใช้สติหยุดยัง้งความคิดไม่ดีก็แล้วกันถ้าเราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรก็อย่าไปคิดถึงมันอย่าไปพูดถึงมันปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมของสัตว์ก็แล้วกันเราก็พุโทโธพุโทโธไปภายในใจ นึกถึงพระพุทธเจ้าไปไม่ต้องไปนึกถึงสิ่งที่เห็นแล้วทำให้เราคิดไม่ดีหยุดมันไปก่อนแล้วก็ศึกษาให้รู้ว่าพระที่เรียกว่าสุปฏิปันโนเป็นอย่างไรและเวลาเราเห็นที่พระไม่ใช่เป็นสุปฏิปันโนเราจะได้รู้ว่าไม่ใช่เป็นพระสุปฏิปันโนเราก็ไม่ต้องไปกราบไหว้เคารพนับถือ เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปไปปรามาไปลบหลู่ไม่ใช่หน้าที่ของเราเพียงแต่ว่าเราไม่มเราไม่ต้องถูกบังคับให้ไปเคารพเขาถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นพระที่เขาควรจะเป็นการไม่เคารพคนที่ไม่ได้เป็นพระที่ควรจะเป็นพระนี่ไม่เสียหายไม่เป็นไม่บาปแต่ถ้าการไปไปปรามานี่มันผิด ไม่ว่าจะคนดีหรือไม่ดีแล้วอย่าไปว่าอย่าไปด่าเขาบ่อยให้เขาดีเขาชั่วไปตามเรื่องของเขาความดีความชั่วของเขาไม่ได้อยู่ที่การด่าว่าของเราเราด่าไม่ด่าถ้าเขาชั่วเขาก็ชั่วถ้าเขาดีเราด่าเขาว่าเขายัางไงเขาก็ดีของเขาอยู่อย่างนั้นเองเรามาหยุดคําปรมามทย์ของเรานะโดยการใช้สติ พุโทโธพุโทโธไปหรือเดินหนีไปถ้าเห็นอะไรแล้วทำให้เราคิดไม่ดีก็เดินหนีไปใครอยากจะถามอีกทั้ง่าทั้งนี้ทุกวันเนี่ยครับอาจารย์ก็จะพยอยามเจริญทางสติแล้วก็ปัญญาในระหว่างวันนะครับก็คือจะพยายามรู้ทันว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามทำด้วยไม่แน่ใจว่าทำถูกทางหรือเปล่าก็คือเหมือนจะเป็นแนวลงโทษตัวเองนิดนึงนะครับเหมือนถ้ารู้ว่าตัวเองอยากเนี่ย mm. ก็พยายามจะไม่ตามใจตัวเอง mm. ไม่ตามใจปาก mm. ไม่ตามใจความอยากของตัวเอง mm. เช่นปกติจะเป็นคนทานเยอะ mm. อยากสั่งเพิ่มก็อาจานเดียวพอให้พออยู่รอดได้ไม่ต้องไปตามใจปากปากอะไรอย่ า, าเงเงี้ยครับอันนี้ถือว่าเป็นการเจริญสติด้วยหรือเปล่าอาจารย์ mm. ไม่หรออันนี้เป็นการในการฝืนความอยากการทำตามความเห็นที่ถูกต้องว่าการทำตามความอยากนี่มันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเราก็ฝืนมันไม่ทำตามมันส่วนการดูใจนี่ตอนนี้ไม่ควรจะดูมันควรจะหยุดมันดีกว่าถ้าดูมันแล้วสู้มันไม่ได้หรอก หยุดมันใช้สร้างพยายามสร้างเบรกหยุดใจดีกว่าสร้างพุทโธขึ้นมาเวลามันออกนอกลูกนอกทางก็หยุดมันได้ถ้าไปตามดูมันเวลามันออกนอกรูกนอกทางบางทีไม่มีกําลังดึงมันกลับมาพอเราไม่มีกําลังหยุดของใจไม่มีสติฉั้นคิดว่ามาสร้างสติกันก่อนจะดีกว่าก่อนที่จะไปตามตามรู้ดูใจเพราะว่าบางที มันไปทำอะไรที่เราไม่สามารถหยุดมันได้แล้วมันก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาเหตนถ้าเราไม่มีเบรกรถเราไม่ขับรถออกไปที่ตามท้องถนนแล้วไม่จะตามดูได้ว่ารถมันวิ่งไปในท้องถนนหรือเปล่าแต่พอถึงเวลาจะเบรกมันเบรกมันไม่ได้คนที่ไม่มีเบรกรถยนต์นี้เขาไม่ขับรถไปไหนหรอก เขาต้องติดเบรกให้เขาต้องตรวจเบรกก่อนเช็คเบรกก่อนว่ารถคันนี้หยุดได้ไหมถ้าหยุดไม่ได้นี้ต้องเข้าอู่ไปติดไปซ่อมก่อนนะแต่ในใจของเราเนี่ถ้ายังไม่มีเบรกอย่าไปตามดูมันเลยตามดูก็เท่านั้นนะ่ะถึงเวลามันจะชนมันก็ชนนะมันไม่หยุดอ่าทางบ้านเชิญ ต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณบุญชูนะครับเราเจริญสติต่อเนื่องแล้วมันยกบางอย่างมาพิจารณาจนเข้าใจแล้วปิติเกิดใจเบาสบายเราก็ส่งอาการนั้นไว้แล้วทำงานต่อไปอย่างนี้ถูกเป้าหมายของการเจริญสติในขณะทำงานไหมครับถ้ามันสงบมันมีความสุขก็ใช้ได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณอาต้นนะครับผมนั่งสมาธิไม่ได้เลยแต่ก่อนกับได้กับนั่งได้นานกว่า น, นี้ครับเป็นเพราะเหตุใดเพราะสติไม่มีกำลังพอที่จะบังคับใจให้นั่งเพราะใจนี้ถูกกิเลสผลักดันไม่ให้นั่งที่เรานั่งกันไม่ได้อยู่เฉยๆกันไม่ได้เพราะความอยาก อยากไปทำนูน่ทนทำนี่อยากจะไปดูนั่น ด, ดูนีน่ฟังนู้นฟังนีเพอให้นั่งเฉยๆหลับตาพุโทโธพุโทโธมันก็เครียดขึ้นมาอึดอัดขึ้นมาไม่สบายใจมันจึงไม่อยากจะนั่งกันเพราะเรามีกาลังสติน้อยกว่าความอยากถ้าเรามีสติมากกว่านี่เราจะหยุดความอยากที่สร้างความอึดอัดได้แล้วเราจะนั่งได้อย่างสบายนั่งได้นาน วิธีนั่งให้ได้นานตอนต้นท่านั่งแล้วมันไม่ยอมอยู่กับพุโทโธไม่อยู่กับลมหายใจก็ลองให้มันสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ยาวๆไปหรือเปิดธรรมะฟังไปก่อนก็ได้ฟังเทศไปสักพักก่อนพอฟังไปแล้วรู้สึกใจเริ่มเย็นเริ่มสบายไม่อึดอัดแล้วก็ปิดแล้วก็ดูลมไปแล้วพุโทโธไปนั่งนี้สําคัญ พันั่งแล้วนี่จะทำให้ใจร่วงทำใจให้สงบทำใจให้มีความสูงมากๆได้ถ้าเดินหรือทำอะไรอย่างอื่นนี้มันจะสู้นั่งไม่ได้คำถามข้อต่อไปจากคุณปราณีนะครับการขายที่ดินที่พ่อแม่เคยอยู่เพื่อใช้เงินในการทำบุญปฏิบัติธรรมหรือยกให้โรงพยาบาลใช้ประโยชน์ เมื่อยอมเสียชีวิตแล้วจะเป็นบุญกุศลต่างกันอย่างไรคะหมายถึงคนให้ให้ตอนที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ครับอาจารย์ตอนที่มีชีวิตอยู่ยังไม่ให้ยังครับก็ไม่ได้บุญเลยต้องให้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าให้ตอนที่ตายไปแล้วก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นของเราแล้วเป็นของคนอื่นไปแล้วเราไม่ได้ให้แล้วเราไม่ได้บุญแล้ว ยังบอกว่าเงินทองมีเท่าไหร่ให้รีบทำตอนที่ยังไม่ตายะมันถึงจะเป็นบุญพอตายไปแล้วเงินทองนี้ไม่ได้เป็นบุญของเราแล้วคนอื่นเข้าไปทําบุญให้เราก็อุทิศให้ได้เพียงนิดเดียวไม่เหมือนกับเราทําเองเพราะความรู้สึกมันต่างกันเวลาคุณให้ตอนที่คุณยังไม่ตายกับคุณตายนี่รู้สึกต่างกันไหมให้ตอนนี้มีเท่าไหร่ให้หมดเลยรู้สึกเป็นไง เบาอกเบาใจสบายอกสบายใจโล่งอกล่งใจแต่เวลาตายไปนี่ไม่รู้ว่าเงินนั้นใครไปทําอะไรเราไม่รู้ละไม่เกี่ยวข้องด้วยละแล้วเวลาตายไปอาจจะทุกข์เพราะเสียใจที่ต้องจากเงินก้อนนั้นไปเสียได้ซ้ําไปแต่ถ้าให้ไปก่อนตายนี้เวลาตายจะไม่ทุกข์กับเงินก้อนนั้นละเพราะเราให้ไปแล้วเรามีความสุขจากการให้แล้วยิ่งถ้าอยากจะทําบุญจะให้อะไรต้องให้ตอนที่เรายังไม่ตาย เอให้จริงๆไม่ใช่เขียนพิ่นายกรรมไว้ก็ไม่ได้เขียนไว้ก็ยังเป็นเพียงแต่กระดาษยังไม่ได้ให้เป็นเพียงแต่เจตนาเพียงแต่ความคิดมันยมคิดจะทําบุญแต่ยังไม่ทำสักทีอย่างเงี้ยคิดว่าเออเดี๋ยวจะทำสักล้านหนึ่งก็คิดอยู่ยงั้นแต่ยังไม่เคยมาทําสักทีก็มีแต่คิดอย่างเงี้ยประโยชน์มันยังไม่เกิดความสุขมันยังไม่เกิดแต่พอคิดแล้วเอามาเลยจ่ายไปเลยล้านหนึ่ง เราจะรู้สึกโล่งอกโล่งใจเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจขึ้นมานี่ต้องทำในตอนขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ถึงจะเป็นบุญเช่นเบยจากร่างกายนี้ก็ถ้าอยากจะได้เป็นบุญก็เบยจากตอนนี้เลยยอมตายพีชีพเลยไปปฏิบัติทําในป่าสู้กับกิเลสเนี่ยพอยอมตายได้กิเลสตายร่างกายไม่ตาย พระที่เขาบรรลุธรรมกันก็เขาไปพลียชีพกันเขาบริจาร่างกายในขณะที่ก็มีชีวิตยอยู่จะเป็นสวดาบันได้ก็ต้องบริจาร่างกายได้ต้องบริจาคตอนที่เป็นไม่ใช่บริจาคตอนที่ตายคือยอมตายได้เดี๋ยวนี้เลยถึงเวลาจะตายเมื่อไหร่ตายได้เลยถึงเวลาเจ็บเจ็บก็เจ็บได้เลยไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อต่อรองพร้อมที่จะให้ทันที ให้แล้วด้วยเพราะต้องต้องให้มันถึงจะบรรลุได้วิธีที่จะให้ก็ต้องไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ถูกบังคับให้ต้องให้เช่นไปอยู่ที่มันจะเจอความตายจริงๆพอมันรู้มันจะตายแล้วมันยอมตายแล้วมันจะมันจะมันจะสงบมันจะสุขมันจะปล่อยวางร่างกายได้อันนี้แหละคือวิธีบริจาคร่างกายที่เป็นบุญจริงๆต้องบริจาคแบบพระโสดาบัน ท่านยอมตายท่านยอมเจ็บท่านปล่อยวางความเจ็บปล่อยวางความตายได้ไม่สะทกสะทานถ้ายังถ้ายังเขียนเป็นบอยจากอยู่ว่าตายไปแล้วใครจะเอาเอาวัยวะต่างๆไปทำนู่นทำนี่อาไปได้ไีมไม่ได้ไเลยเลยเพราะยังไม่ได้ให้ตอนที่อยู่ตอนที่ตายก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำหรือเปล่า อาจารย์ ค, ครับแล้วถ้าตอนอาการบริจาคเงินให้ตอนยังไม่ตายแต่ถ้าใกล้ตายครับอาจารย์ก็รู้ว่าจะตายก็ยังก็ยังได้อ อ, อขอให้มันให้ตอนก่อนตายแล้ ว, ลวให้ไปเความรู้สึกมันจะเหมือนกันแล้วมันจะไม่มันจะไม่ทุกข์กับเวลาที่จะต้องตายจากเงินทองเหล่านั้นไปพราเราปล่อยก่อนปล่อยก่อนที่จะถูกบังคับให้ปล่อยมันต่างกันเวลาปล่อยด้วยความยินดีอย่างมันนี่มาญาติโยมมาทําบุญเนี่ย เห็นไหมทุกกับเงินที่เสียไปถ้าถูกบังคับใ ห, ให้ให้บอยจากนี้บางทีไม่อยากจะบอยจากอะไรถ้าใครเอาเอาเอ า, เอาบาทอะไรมาเรี่ยไรนี้บางทีไม่อยากจะทำํำหรือถ้าทําก็ทําแบบจําใจต้องทําเกรงใจเดี๋ยวกลัวเสียหน้าอะคนเอาบาทมาตั้งหนามันไม่เหมือนกับทําด้วยความอยากจะทํา ทำด้วยความอยากทํากับทําที่ถูกบังคับให้ทํานี่มันความรู้สึกต่างกันคําถามข้อต่อไปจากคุณน้ามนต์นะครับข้อที่หนึ่งเวลาพระให้พร ค, รควรคิดถึงอะไรควรทําจิตอย่างไรดีที่สุดคะควรฟังเพราะการให้พรก็เป็นการเทศนาพระไม่มีพรให้พวกเราเหรอกที่เทศที่ที่สวดการนี่เป็นคําสอนเป็นธรรมะว่า การเสียสระการแบ่งปันนี้จะทำให้เราจเจริญด้วยอายุวันนะัสุ ข, ขะภาละท่านั้นเองความหมายมันอยู่แค่ตรงนั้นไม่ได้ทำให้เราวิเศษขึ้นหรือไม่วิเศษเราจะ เ, เวลาเราทำบุญแล้วเราจะมีพระมาอวยพรไม่อวยพรนี้บุญที่เราได้รับเท่ากันดงนั้นไม่ต้องไปทำอะไรเวลาเขาสวดให้พรเราก็พนมมือฟังไปท่านั้นเองคนก็ไม่รู้สมัยนี้เขาถูกสอนว่า เวลาพระเริ่มว่ายะถานี้ให้กวดบนญกุทิศบุญให้กับผู้ร่วงรับไปแล้วพอพระพสวดสัพพีห้พนมมือรับพรคือการให้พรของพระนี้ท่านแบ่งเป็นสองตอนไงตอนต้นยะฐานี้ท่านกล่าวถึงการบริจาคอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วว่าบุญที่เราทําอยู่นี้ถ้าเราอยากจะแบ่งให้กับคนที่ตายไปแล้วเราสามารถแบ่งให้เขาได้ คำหลายคือตอนที่พระสวดเริ่มต้นญาตฐานเนี่ยที่สวดองเดียวเนี่ยกำลังเรียกว่ากําลังสอนวิธีอุทิศบุญบอกว่าบุญที่เราทำนี้เราอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงรับไปได้แล้วพราะพอท่านญาถาเสร็จแล้วพอพระทั้งหลายร่วมเริ่มสวดสัพพีนี้เป็นการให้พรเริ่เป็นการบอกบอกกล่าวว่าการทําบุญของเรานี้จะมีอนิสงส์สี่ประการ คือจะเจริญด้วยอายุวันสุขภาระทนั้นเองงั้นการอุทิศบุญจริงๆไม่ต้องมารอให้พระว่ายะถาแล้วเราค่อยอุทิศเราทําบุญปับ๊บเราอุทิศได้เลยท่านบอกให้อุทิศตอนที่เราทําเสร็จใหม่ๆเพราะาใจมันบุญมันยังอยู่ติดกับใจอยู่ถ้าเราไม่อุทิศเดี๋ยวเราไปคิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาไอ้บุญที่เราทําไว้มันถูกกลบไปเราไม่สามารถอุทิศได้ เช่นพอเราทำบุญเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ขึ้นมานไอ้บุญที่ความสุขใจที่เราได้จากการทำบุญมันถูกไอ้เรื่องที่เราไปทะเลาะกับคนอื่นมากบเอาไว้ก็เลยไม่สามารถที่จะอุทิศความสุขใจที่เราได้จากการทำบุญได้เะั้นพอใส่บาศเสร็จแล้วพอทำอรายเสร็จแล้วถวายเสร็จแล้วอุทิศไปภายในใจเลยตอนที่รู้สึกดีๆสบายใจตอนนั้นน่ะไม่ต้องรอให้มาพระมา ว่ายะถาสักพีแล้วค่อยมาอุทิตไม่ต้องมีน้องไม่ต้องมีน้ำน้ำมันไม่ใช่บุญแล้วพระก็ไม่ได้เป็นผู้ให้พรพระเป็นเพียงแต่คนสอนว่ า, ว, าว่าบุญที่เราทํานี้เราแบ่งให้คนตายได้แล้วบุญที่เราทํานี้จะทําให้ชีวิตของเรามีความเจริญในอายุวันละสุขะภาละนี่ก็คือเรื่องของการให้พรของพระ ยากโยมก็เลยมารอจ้องจังหวะที่พระจะให้พรถึงจะอุทิศบุญกันถึงตอนนั้นบางทีบุญที่ทำไปหายไปแล้วจาไม่ได้ว่าทําอะไรไปแล้ข้อที่สองเราจะจัดการากับความรู้สึกสงสารคนหรือสักเลี้ยงได้อย่างไรครับมีความรู้สึกสงสารขึ้นมาทีไรปล่อยวางยากทุกทีคือความสงสารนี่มันมีทั้งดีและไม่ดี มีความสงสารแล้วเราทำในสิ่งที่เราสงสารได้มันก็ดีเช่นเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราสงสารเขาเราช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยเหลือไปสงสารแบบนี้ดีควรจะสงสารแต่สงสารแบบไม่ดีก็คือเห็นเขาทุกข์ยากเดือดร้อนแล้วเราช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วเรากินไม่ได้นอนไม่หลับมีความรู้สึกไม่สบายใจอย่างนี้เราต้องใช้อุเบกขามาแก้ อุเบกขาก็คือให้เราโปรงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นตอนนี้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็เป็นเพราะว่าเป็นวิบากของเขาแล้วพอดีเราก็ไม่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้จะให้เร า, ากินไม่ได้นอนไม่หลับไปทุกข์ไปกับเขาก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไร เราก็ต้องรู้จักมีความสงสารด้วยต้รู้จักการปล่อยวางด้วยนั่คือมีอุเบกขาด้วยมีทั้งกรุณาการุณาแปลว่าความสงสารมีทั้งอุเบกขาขึ้นอยู่กับกรณีไหนกรณีที่เราช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลือไปในกรณีที่เราช่วยเหลือไม่ได้เราก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของสัตว์ไปคำถามข้อที่3นะครับเราจะอุทิศบุญให้กับคน ป่วยหรือสัตว์เลี้ยงที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ด้วยวิธีไหนคะตอนทานใช่ไหมคะเราช่วยเหลือเขาได้มากกว่าอุทิศบุญให้เขาบุญที่อุทิศนี้คือความสุขใจแล้วก็การที่ช่วยเหลือเขาให้เขามีความสุขใจนี่ช่วยเหลือในขณะที่เขามีชีวิตอยู่นี่ได้บุญเยอะกว่าเช่นเขาเดือดร้อนขาดแคลนอะไรไม่สบายก็ไปหาหมอหายามาให้เขาทำให้เขามีความสุขใจมากกว่าอุทิศบุญให้เขาแล้วก็ ที่เราต้องอุทิศบ de ุญก็เพราะว่าในกรณีของที่เราไม่สามารถช่วยเหลือเขาทางน่างกายได้แล like ้วเช่นน่างกายเขาตายไปแล้วเราก็ช่วยได้เพียงแต่อุทิศบุญซึ่งซึ่งบุญที่เราให้ทางอุทิศบุญกับบุญที่เราให้ทางที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยขณะที่เขามีชีวิตอยู่นี่เขาได้รับมากกว่าจากการที่เราช่วยเหลือเขาแทนที่จะเอาเงินไปทําบุญแล้วกวดน้าให้เขาเงนี้เราเอาเงินไปซื้อยามาให้เราไปเอาเงินไปซื้อข้าวมาให้เขา อย่างนี้จะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะจึงเราจรึงไม่นี่วัตุุที่บุญให้คนเป็นไงคนเป็นนี่เราต้องช่วยเหลือเขาช่วยเหลือด้ปัจจัยสี่เขาขาดแคลนปัจจัยสี่เราก็ช่วยเหลือเขาอย่างอื่นไม่ต้องไปช่วยอย่างอื่นนี้ต้องปล่อยให้เป็นกรรมของเขาเช่นมีหนี้มีสินเราจะไปให้เราปวดหนี้ให้หนี้ช่วยไม่ได้อย่างนี้เพราะถ้าปวดหนี้แล้วเดี๋ยวมันก็ไปมีหนี้ใหม่ คำถามข้อต่อไปจะคุณนิด้านะครับอยู่แบบสมถะกับอยู่แบบสันโดษแตกต่างกันมากไหมคะคําว่าสมถะคือความสงบใจสงบถ้าใจสงบใจก็จะสันโดดใจก็จะยินดีตามมีตามเกิดได้ดังนั้นก็มันก็เป็นของคู่กันคนที่ไม่สันคนที่ไม่สมัติคือใจไม่สงบนี้จะมีตันหามากตันหาแรงก็จะไม่สันโดด จะจู้จี้จุกจิ ก, อ ย, กอยากได้นู่นอยากได้นี่เรียกว่าใจไม่สงบแล้วถ้าใจสงบแล้วจะเฉยๆยังไงก็ได้ก็จะเป็นสันโดษขึ้นมาคำถามจากคุณดนนภานะครับคระสามารถเอามือถือมาถ่ายภาพญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมได้ไหมคะแบบเดินถ่ายไปทั่วๆรู้สึกไม่ค่อยดีเลยคะ่ะมันจะเป็นเรื่องของอความเหมาะสมเพราะว่า สมัยนี้มันมีของที่ไม่มีในสมัยพระพุทธการก็เลยยังไม่มีข้อห้ามให้ใช้มือถือกันถ้าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในวันนี้คงจะมีข้อห้ามเพิ่มมากขึ้นเยอะแยะเลยห้ามใช้มือถือห้ามนั่งรถเบนซ์ห้ามอะไรต่างๆกันร้อยแปดพันประการแต่ทีนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าเลยก็เลยไม่มีใครกล้ามาตั้งกฎตั้งข้อห้ามกัน ก็เลยปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมกันก็ดูความเหมาะสมของบางอย่างมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระพระไม่ควรจะทำก็อย่าไปทำพระโดยปกติต่อหน้าสาธทางหน้าชนนี่คนจะสงบเรียบร้อยสงบกายสงบวาจาสงบใจเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีไม่ใช่ทำตัวเป็นเหมือนอเป็นลิงเป็นข้างเป็นนักกายกรรม อันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระหน้าที่ของพระต้องสํารวมสํารวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยถ้าต้องถ่ายภาพก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาทำให้ลูกศิษย์ลูกหาก็ททำถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปถ่ายมั น, มนเรานี่ไม่เคยคิดจะทำไอไลไฟ์ไอเฟสบุ๊กอะไรบ้าบออะไรนี้หรอกมีคนก็มาทำให้ก็ปล่อยก็ทำไป เามีหน้าที่นั่งเฉยๆแล้วก็พูดเช่นี้แหละพระอาจารย์ครับเอมีเรื่องหนึ่งครับให้พระอาจารย์แนะนําทีครับเคนมักจะพูดว่างานบุญคืองานทําบุญบ้านใหม่งานศพเป็นงานบุญทั้งนั้นจะทําอย่างไรให้ไปงานเหล่านี้ได้และเกิดบุญสูงสุดนอกจากถวายทานพระครับ <g ülme> พระอาจารย์ <g ülme> มันก็ได้เท่านั้นแหละงานบุญก็คืองานเอาเงินไปเอาไปช่วยงานกันเอาไป คือใบสละทรัพย์ของเราเพื่อประโยชน์สุขของผู้งานบุญสร้างบ้านขึ้นบ้านใหม่นี้มันมันไม่มันไม่ได้ทำให้บ้านใหม่มันวิเศษขึ้นดีขึ้นปลอดภัยมากกว่าเดิมนี่มันเป็นความเข้าใจผิดกันว่าขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ต้องทำบุญกันสักครั้งเพื่อจะได้สร้างเกราะคุ้มกันภัยต่างๆให้บ้านอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่มีภัยอะไรต่างๆ อันนี้มันเป็นความเข้าใจผิดการทําบุญขึ้นบ้านใหม่งานศพนี้มันก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าทานทั้งนั้นแหะคือเราไปเราก็เอาเงินไปให้เขาเขาก็เอาไปถวายวัดหรือไปทําอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อสังคมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญระดับทานถ้าอยากจะได้บุญสูงกว่าระดับทานก็ต้องรักษาศีลกันรักษาศีลห้ารักษาศีล8กัน แล้วถ้าอยากจะได้บุญสูงกับระดับสีก็ต้องภาวนากันไปอยู่วัดถือสีน์แปดปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาหาความสุขจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบกันอันนี้ก็เป็นบุญระดับที่สูงสุดหรืออีกทางหนึ่งเราสามารถทำด้วยวิธี าการมีสติอยู่กับบทสวดไม่ว่าเสียงรอบข้างจะดังขนาดไหนแต่สติเราอยู่กับบทสวดเท่านั้นก็เป็นภาวนาได้บุญเช่นกันใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ก็เป็นนั่งสมาธิไปไเวลาไปงานสวดไปงานงานขึ้นบ้านใหม่เขามากักจะนิมนต์พระมาสวดกันแต่เมื่อก่อนเราเคยไปคนที่จะมานั่งก็มีคนแก่เจ้าของบ้านอยู่สองสามคนลูกหนุ่มหนุ่มสาวสาวคนที่เขาเขาก็ไปต้อนรับไปนั่งคุยกันอยู่ข้างนอกบางทีดีไม่ดีก็มีเหล้ากินกันซะอีก แล้วก็ให้ตายายสองสามคนมานั่งฟังพระเทศมาทั้งพระสวดกันนิ่มณฑพระมาก้าองค์แต่คนฟังพระสวดมีอยู่แ <c oughs> ค่สองคนสามคนสงสารพระไปแล้วเสียเวลาก็เป็นเหตุให้ปราชญ์ไม่รับนิ่หมดไม่รับไม่ไปแล้วไ ป, ไปมันไม่ได้ประโยชน์อะไรซู้มานั่งพูดธรรมะอย่างนี้ดีกว่าแต่คนมาก็ตั้งใจฟังได้ความรู้ได้ความสงบน อันนี้สงจากการฟังธรรมก็แสดงไว้แล้วใจจะสงบผ่องใสใจจะมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาแต่ไปนั่งฟังพระ ส, สวดก็ไม่เข้าใจความหมายปัญญาก็ไม่ได้ได้อย่างมากก็แค่สมาธิคำถามจากคุณเอนะครับหากชาตินี้เราทำทานถือศีลห้าเป็นปกติทำสมาธิอยู่เป็นประจำถือศีลแปดเป็นบางเวลาผลบุญที่ทาจะช่วยลดความรุนแรงของกรรม ที่เคยทําไว้ตั้งแต่อดีตจน ถ, ถึงปัจจุบันใหม่คะการในอดีตนี่เราไปลบไม่ได้ทําให้มันเบาบางไม่ได้แต่บุญที่เราสร้างขึ้นปัจจุบันนี้มันจะมาชะลอการแสดงผลของบาป ท, ที่เราทําไว้ในอดีตได้เช่นสมมุติว่าชาตินี้เราทําบุญมากกว่าบาปที่เราได้ทําไว้ในอดีตผลบาปนี้มันยังไม่มีกําลังที่จะแสดงผลผลบุญมันจะแสดงก่อนในเวลาเราตายไปถ้าบุญที่เราทํานี้ มีกำลังมากกว่าบาปที่เราทำไว้เราก็จะไปรับผลบุญก่อนไปสวรรค์ก่อนไปสวรรค์จนกว่าผลบุญกับผลบาปมันจะมีกำลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถดึงให้เราอยู่ในสวรรค์ได้บาปก็ยังไม่สามารถดึงให้เราไปอบายได้เราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกภพทุกชาติแล้วเราพยายามทำบุญให้มากกว่าบาปเราก็ยังสามารถชะลอผลของบาปนั้นหรือถ้าอาจจะ เกิดก็อาจจะเกิดในขณะที่เรามาเป็นมนุษย์ก็ได้อันนี้เราก็ห้ามมันไม่ได้เช่นพระพุทธเจ้าแม้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้สร้างบุญถึงระดับพระพุทธเจ้าผลบาปมันก็ยังพอถึงเวลาที่มันจะส่งผลมันก็ส่งผลขึ้นมาได้ก็มีเจ้ากรรมนายเวรเช่นเทวทัตก็มาจองร่างจองฐานอันนี้เราก็ต้องยอมทำใจรับกรรมไปแต่ถ้าเรามีบุญมากเราก็จะไม่หวั่นไหวกับผลบาป อย่างพระพุทธเจ้านี้ไม่หวั่นไหวกับการจองล้างจองผลานของพระเทวทัต์ไม่รู้สึกทุกข์เลยไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยอันนีเ้เรื่องของบุญทําบุญมากๆแล้วมันจะช่วยให้เรารับกับบาปได้เหมือนกับที่เราจะต้องตกนงมาจากที่สูงเนี่ยถ้าเรามีเบาะนหนาๆรองรับอยู่มันก็จะไม่เจ็บใช่ไหม เวลาคนที่ก็จะคิดค่าตัวตายแล้วคนก็มาช่วยเหลือเนี่ยและกระโดดตึกตายเขาก็ไปหาฟูกหนาๆมารองไว้เวลาเ็ากระโดดลงมามันจะได้ไม่เจ็บบุญก็เหมือนกับฟูกหนาๆที่เรามาสร้างกันไว้เปิดเวลาบาปมันแสด ง, งผลทำให้เราต้องกระโดดตึกเนี่ยเราก็จะมีฟูกหนาๆไว้รองรับทำให้ไม่เจ็บคนที่มีบุญมากๆนี่จะไม่ทุกข์กับวิบากกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะสูญเสียลาบยศ เ, เสริเสริญสูญเสียคนรักไปใจจะไม่หวั่นไหวใจจะไม่เดือดร้อนเพราะบุญนี้จะเป็นเครื่องรองรับแต่บุญนี้ไม่สามารถไปห้ามบาปที่ที่ที่เราทำไว้แล้วไม่ให้เกิดผลไม่ให้ส่งผลได้แต่จะทำให้ใจของเรานี้มีมีฟูกหนาๆไว้รองรับทำให้ไม่เจ็บคำถามข้อต่อไปจากคุณเมธินีนะครับ นั่งสมาธิฟังพระอาจารย์เทศนาของพระอาจารย์แล้วเหมือนเสียงหายไปจากโสตประสาทแต่มีความรู้สึกตัวอย่างนี้เรียกว่าอาการอะไรครับดังนั้นจิตเข้าข้างในแล้วจิตไม่รับรู้ทางทางเสียงแล้วก็สแสดงว่าจิตสงบ ก, ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าจิตสงบ ก, ก็ดีเพราะว่าเป้าหมายของการฟังก็คือทำให้ใจสงบถ้าใจสงบแล้วไม่ต้องสนใจกับเรื่องฟังก็ได้เพราะเรื่องฟังนี่ฟังเมื่อไหร่ก็ฟังได้แต่เรื่องสงบนี่นานๆมันจะสงบสักที อย่าถ้ามันสงบแล้วไม่ได้ยินเสียงธรรมก็ให้มีสติอยู่กับความสงบนั้นไปไม่ต้องดึงใจออกมาหาเสียงธรรมนะวังธรรมนี้ไว้รอคราวหน้าก็ได้เดี๋ยวฟังใหม่ก็ได้คําถามข้อต่อไปจากพี่พัชรานครับทึ่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง น, นะครับ <c oughs> น้องมีฐานะดีมากให้เงินมาช่วยก้อหนึ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลแต่เกรงใจไม่สบายใจเพราะยังพอมีถ้าเราคืนเงิน เขาไปจะเป็นการขวางบุญใหม่คะถ้าเราไม่ได้ไปขอเขาแล้วเขาให้มาด้วยความสเสน่หาด้วยความปรารถนาดีด้วยความสงสารก็ควรจะสงขอเขาให้เขาได้มีโอกาสได้ทาบุญคาถามจากคุณอังคณานะครับผวังและฌานสี่แตกต่างกันอย่างไรคะคือคาว่าผวังนี่มันมันเป็นคำที่เขาใช้สาหรับเวลาจิต ตกเข้าไปอยู่ในสภาพที่ที่ว่างที่นิ่งแต่มันมีผวังสองแบบผวังแบบมีสติกับผวังแบบไม่มีสติผวังแบบไม่มีสติเราเรียกว่าผวังหลับไม่รู้เรื่องพอวุบเข้าไปแล้วก็หายไปเลยทุกอย่างมารู้สึกตัวทีเวลาลืมตื่นขึ้นมาแนละ้วเวลาได้สติกลับขึ้นมาแล้วก็เตะอย่างนี้เราเรียกว่าผวังหลับ ส่วนผวังที่เป็นชานี้จิตสงบแล้วจะมีสติรู้ตัวตลอดเวลารู้ว่าตอนนี้จิตวูบลงไปแล้วก็นิ่งไม่รับรู้เหมือนกับคนที่เมื่อกี้ถามเรื่องฟังเทศแล้วเสียงเทศหายไปอย่างนั้นเขาเรียกว่าเข้าพวังแล้วตกภวังแล้วัีวงมันมีหลายชั้นมีแปดชั้นด้วยกันรูปฌานสี่อรูปฌาน4ีแล้วมีชั้นนี่เรียกนิโรธสมาบัตมี9กชั้นด้วยกัน คือความสงบของพอวังแต่ละขั้นมันมากน้อยต่างกันคาถามข้อต่อไปจากคุณขวัญนะครับหนูได้เคยฝึกปฏิบัติมาอยู่วัดอย่างเดียวและตอนนี้ต้องอยู่ทางโลกต่อด้วยเหตุผลต้องดูแลทางบ้านบางทีตอนทุกข์ใจก็เสียใจตามปกติร้องไห้ตามปกติแต่หนูฝืนที่จะไม่ทำตามกิเลสไม่ให้ไปทำความเดือดร้อนทาชั่วตามใจเหมือนแต่ก่อนแล้วความทุกข์ใจก็ดับไป แต่ต้องยุ่งต่อตาบใจที่ต้องอยู่ทางโลกก็ต้องเจอเรื่องราวอีกและต้องใช้วิธีนี้อีกรู้สึกเหนื่อยหน่ายต่อการเกิดการเป็นคนขอกำลังใจจากพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คิดว่าเป็นวิบากของเราก็แล้วกันที่เรายังไม่สามารถที่จะตัดสิ่งต่างๆไปได้เราก็เลยต้องมารับวิบากต่อไปก่อนก็ทนไปใช้อุบเบกขาใช้ขันติน ว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยววิบากกา ร, รมมโนดเราก็จะไปอยู่คนเดียวไปอยู่ห่างไกลจากสิ่งต่างๆที่วุ่นวายใจได้เหมือนกับเราขับรถบนท้องถนนเนี่ยเรายังติดไฟแดงติดอะไรอยู่ยังขึ้นทางด่วนไม่ได้ก็พยายามขับไปเรื่อยๆพอมีช่องมีจังหวะที่จะขึ้นได้ก็ขึ้นไปถ้ายังขึ้นไม่ได้ก็ขับไปเรื่อยๆก่อนทนไปก่อน จะไปอยากแล้วมันก็จะทำให้เครียดไปเปล่าๆคำถามจากคุณกิตกรนะครับผมรู้สึกตัวว่าเมื่อเวลานั่งภาวนาก็รู้ว่ากายนี้มันทุกข์ผมต้องขยับเปลื่อนให้หายเมื่อยหรือดูมันต่อไปครับคือเวลาเราปฏิบัตินี่เราต้องการปล่อยวางร่างกายร่างกายจะเจ็บไม่เจ็บนี่เราไม่ต้องการไปยุ่งกับมัน ถ้าเราไปยุ่งกับมันก็แสดงว่าเรายังไม่ปล่อยถ้าเราไม่ปล่อยจิตก็จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้เอ็นเวลานั่งแล้วมันเจ็บหรือไม่เจ็บนี้เราอย่าไปยุ่งกับมันถึงแม้มันไม่เจ็บแต่เรารู้สึกว่ามันเอ็นไปข้างหน้าบ้างเอ็นไปข้างหลังบ้างไปทางซ้ายบ้างไปทางขวาบ้างก็อย่าไปยุ่งกับมันเพราะนี่เป็นความคิดของใจเองความจริงร่างกายมันอาจจะไม่ได้เอ็นอย่างที่เราคิดก็ได้พอเราไปคิดว่ามันเอน็นแล้วเราก็ไปปรับมันนี้แสดงว่าเราไปยุ่งกับร่างกายแล้ว เราไม่ยุ่งเราไม่อยู่กับพุโทโธเราไม่อยู่กับลมหายใจถ้าเราไปยุ่งกับร่างกายมันก็จะไม่มีวันสงบได้เห็นถ้าร่างกายเป็นอะไรตอนที่เราภาวนาอย่าไปยุ่งกับมันให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมหายใจไปแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอสงบแล้วเรื่องของร่างกายนี้ก็จะหายไปคําถามของคุณจรรย์รัตซึเป็นคําถามใกล้เคียงกันพระอาจารย์ได้ตอบเรียบร้อยแล้วนะครับ คำถามข้อสัตย์ไปจากคุณอังคานะครับดิฉันติดนั่งสมาธิแต่นั่งแล้วดิ่งเร็วมากบางครั้งยกคํำภาวนาได้แค่5้านาทีก็ดิ่งคล้ายตกที่สูงแล้วเงียบบางครั้งคล้ายกับหลับไปแต่พอได้ยินเสียงกลับมาก็สุขแล้วเริ่มยกคิดพิจารณากายวงเล็บคิดขึ้นเองนะคะแต่สักพักก็ดิ่งอีกจะเป็นการทําสมาธิหัวต่อใหมครับไหมครับ ก็ไม่หรอกเวลาถ้าจิตเด่งก็ดีเราต้องการให้จิตเด่งบ่อยๆให้สงบบ่อยๆเวลาที่เรานั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิเราไม่อยากจะพิจารณาทางปัญญาเพราะเราจะมีเวลาเวลาออกจากสมาธินี่เราพิจารณาทางปัญญาได้ตลอดเวลาที่เราจะให้จิตสงบนี้มันจะยากจะสงบได้ก็เฉพาะช่วงที่เรานั่ง น, นเวลานั่งแล้วมันเด็งมันสงบก็ใช้สติประครับประคองให้มันสงบไปนานๆจนกว่าเราเลิกนั่งแล้วพอเราเลิกนั่งแล้วเราค่อยมาพิจารณาร่างกายได้คำถามจากคุณสรัญญานะครับถ้าตอนเราใส่บาตรแล้วเรามีความคิดไม่ศรัทธาต่อพระสงฆ์ที่เราจะใส่บาตรท่านเราจะได้บุญไหมคะถ้าเราใส่ไปแล้วมันอาจจะได้แต่อาจจะได้ไม่เต็มร้อย คำถามจากคุณวันนิภานะครับในขณะที่ใส่บาทอุทิศพร้อมๆเลยได้ไหมคะเพราะทุกวันนี้ทําแบบนี้ตลอดก็ใส่เซ็งเกอร์อุทิศเป็นไรคําำถามจากคุณบุญชูอีกครั้งนะครับขณะที่สติต่อเนื่องบางทีจิตมันดูดไปเองแล้วนิ่งอยู่สภาวะที่รู้เป็นเวลานานขึ้นจนต้องเดินไปหลงนั่งสมาธิต่อในขณะนั้นใจสว่างขึ้นไล่ตั้งแต่ หัวจลเท้าแล้วใจฟูฟูเหมือนลูกโป่งรอยน้ำไม่ยอมจมขึ้นลงตามน้ำแค่นั้นกายเบาใจเบามีความสุขและแตกมากครับของจะเล่ <คน S 1> า, า, าให้ฟังมันก็ดีถ้าใจสงบ ก, ก็ใช้ได้ใจเบาใจสงบ ก, ก็ใช้ได้คำถามจากคุณโทมี่นะครับถ้านั่งสมาธิแล้วหูดับไม่ได้ยินแต่มีสติรู้ บางครั้งกายเบากายหายคือจิตเข้าสมาธิใช่ไหมคะเมื่อถอนออกมาต้องทำอย่างไรคะเพื่อให้ก้าวหน้านในธรรมก็ถ้าถอนออกมาแล้วก็มีสองทางถ้าเรายังไม่มีสติมากพอเราก็มาเจริญสติต่อมาพุทโธต่อไปเพื่อให้เรามีสติมีกำลังมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่ความสงบได้ง่ายอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าเราคิดว่าเรามีสติมากพอที่สามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการออกจากสมาธิมาก็ควรที่จะมาพิจารณาตายรักกันพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ว่าไม่ใช่เป็นของเราลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งข้าวของต่างๆนี้ไม่ใช่เป็นของเราสักวันหนึ่งเขาก็เราจะต้องแยกทางกันไปพิจารณาว่าเขาไม่เที่ยงเขาจะเขาเปลี่ยนไปมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดา พิจารณาว่าถ้าเราไปอยากให้เขาเที่ยงอยากให้เขาเป็นของเราเวลาเขาไม่เที่ยงเขาไม่ได้เป็นของเราเราก็จะเสียใจให้พิจารณานี้ไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่รวมถึงร่างกายของเราเองรวมถึงร่างกายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของสามีของภรรยาของญาติสนิทมิตรสหายของลูกของหลานทุกอย่างนี้ไม่ได้เป็นของเราสักวันหนึ่งจะต้องมีวันจากกันไปถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้าก่อน แล้วเราปล่อยวางได้วเวลาจากกันเราก็จะไม่ทุกข์คำถามจะคุณธรรมดานะครับผมพิจารณาเห็นการพัดพาจากสิ่งที่รักเป็นความทุกข์กลัวที่จะต้องสูญเสียสิ่งที่รักผมจึงพยายามละคลายความยึดถือความรักในตัวบุคคลผมทำถูกหรือเปล่าครับวิธีที่จะถูกก็คือต้องแยกกันอยู่บ้างเช่เนเราไปอยู่คนเดียวบ้าง อยู่แบบไม่มีอะไรบ้างจะได้รู้ว่าเราปล่อยวางได้หรือเปล่าถ้าเราไปอยู่คนเดียวแล้วเยังคิดถึงสิ่ ง, งต่างๆที่เรามีอยู่ยังอยากจะกลับไปหาอยู่ก็แสดงว่าเรายังยึดยังติดเขาอยู่เราก็ต้องพยายามปฏิบัติให้สามารถอยู่คนเดียวได้โดยไม่รู้สึกว่าเราขาดอะไรคําถามจ้าคุณพิชัยนะครับเมื่อเกิดเวทนาขึ้นที่ร่างกายแต่ใจเราไม่ทุกข์กับมันเรียกอาการนี้ว่าอะไรครับ ก็แสสดงงงวว่่าาใใจจปลอยบคําถามจากคุณเล็กนะครับมีคนฝากถามว่าเมื่อใดที่คิดถึงใครก็ตามจะได้พบเห็นคนนั้นเลยเป็นเพราะอะไรครับแต่เพราะเราไปหาคําถามจากนายดีนะครับจะปฏิบัติและพิจารณาอย่างไรจึงเห็นจิตกับกายแยกจากกันครับก็ต้องทําสมาธิเนี่ยฝึกสติให้มากมาก เวลานั่งสมาธิจิตสงบแล้วมันจะแยกออกจากกายกายจะหายไปจากจิตจิตจะเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวจะรู้ว่านี่คือตัวจิตตัวใจส่วนตัวร่างกายนี่เป็นเพียงภาชนะหรือเป็นรถยนต์ที่ตัวจิตตัวใจนี่ใช้ขับเคลื่อนไปไหนมาไหนเท่านั้นเองคำถามจากคุณสุพินดานะครับหนูคิดว่าตัวเองมีจุดอ่อนในอุเบกขาบารมีค่ะมักมีความสงสารผู้อื่นมากเกินไป ทำอย่างไรจรึงจะเจริญอุเบกขาบารมีได้มากขึ้นก็ต้องนั่งสมาธิจิตสงบแล้วจิตก็จะเป็นอุเบกขาถ้ายัางนั่งไม่ได้ก็ใช้ปัญญาช่วยก็ได้พิจารณาว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนที่รับผลอยู่ทุกขณะนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมที่ตนเองทำขึ้นมาทั้งนั้นเป็นการกระทำของตนไปติดคุก ต, ต, ติดตารางก็เป็นเพราะการกระทาของเขาไปทาอะไร ไปรับผลอะไรไม่ดีไปเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นผลที่เกิดจากการกระทาของเขาบางคนสืบเดื่มสซราก็ไปเป็นโรคพิษโุลาบางคนสูบบุหรี่ก็ไปเป็นโรคทุ่งลมวงป่องพองอะไรนี้มันก็เป็นการกระทาของเขาทั้งนั้นที่เราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขเขาได้คิดอย่างนี้แล้วมันก็จะได้สมน้ำหน้าียได้ซ้าไปดีมันจะได้เข็ดบ้าง คำถามจาคุณพิชัยนะครับถีณะมิถะนิวร์เกิดขึ้นเวลาใดมีอาการอย่างไรบ้างครับถิณะมิถะคงจะเป็นความง่วงนอนในชะนิวร์มันก็มีเขียนคงจะเขียนผินดอะน่าเกิดความง่วงเหงาเหานอนก็เกิดจากการกินมากเกินไปเนี่ยกินแล้วมันหนังตาหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนทั้งเกดิดในเวลากินอื่อนนี่ไม่อยากจะนั่งสมาธิไม่อยากจะเดินจงกรมอยากจะนอน ามันสบายดังนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมก็ถึงให้กินน้อยเช่ น, นถือศีลแปดนี่ไม่ให้กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเดี๋ยวบ่ายตอนนี้ก็ไม่ง่วงแล้วเดี๋ยวนั่งสมาธิสวดมนต์ก็ไม่หาวแล้วแต่ถ้ายัางรอกินข้าวเย็ยนอยู่นี่เดี๋ยวก็พอกินอิ่มแล้วเดี๋ยวก็หาสวสวดมนต์ไม่ได้เดี๋ยวเย็ยนนี้ก็ไปสวดมนต์ไม่ได้งนั้นคนที่อยากจะ กำจัดนิวรนคือความง่วงเหงาหานอนนี้ก็ต้องลดประมาณการรับประทานอาหารลงให้กินพออยู่ได้ก็พอไม่ต้องให้มันอิ่มหนี้พีมันหรอกอ ย, อย่างอิ่มหนี้พีมันนี่แล้วมันจะทําให้เกลียดค้านจะทําให้ง่วงนอนมีคนเข้าบทมาครับว่าคุณอ น, นุปนว่าตื่นตีสองดูบอลยูโรตื่นได้ <c oughs> ตื่นตีสองดูพุทธโทรตื่นไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นกกั่นแะกีเรนนั่นมันฉล า, านไหยคําถามจากคุณพินแคนนะครับเวลานั่งไปประมาณสามสิบนาทีแล้วมีอาการเหมือนนั่งที่บินบินใกล้ๆจะตกเขวรู้สึกกลัวๆต้องแก้ไขยอย่างไรคะเคยตกวูบยาวๆแล้วลืมตาเลยค่ะอย่าไปสนใจเวลามันจะตกไปมันตกไปเลยเพราะจิตมันจะเข้าสู่ความสงบไม่มีอะไรตกลงไปก็ไม่เจ็บมันมีฟุ้งท่านาลองอยู่ข้างล่างนั่นอย่าไป แล้วเราตกลงไปก็อย่าไปดึงจิตกลับมาปล่อยมันลงไปให้มันสุดก้นเหวเลยแล้วมันจะมีความรู้สึกเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจเหมือนกับยกภูกเขาออกจาก อ, อกไปคําคำถามจากคุณสิณีนะครับเคยฟังธรรมะเรื่องอารัก์ขมัสสะปะปะทอรอารักษ์กระสัมประทา สีแบบคือหนึ่งพุทธานุสติและลึกถึงพระพุทธเจ้าเมตตาอสุภะและบรรานานุสติอยากทราบว่าต้องเจริญทั้งสี่แบบหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่ถนัดคะอันนี้เราเรียกว่ า, ารักขากรรมฐานไงเหมือนกับรอปพที่คอยคุ้มครองอบ้านเราเนี่ยเวลาเราซื้อบ้านที่หมู่บ้านจัดสรรนี้กขามักจะจ้างรอปพมาเพื่อจะได้มาคอยดูแลรักษาบ้านไม่ให้ขโมยมันเข้ามา บ้านเรามันก็มีสีด้านใช่ไหมใจเราก็มีสีด้านที่ฆ่าศึกหรือผู้ร้าจะเข้ามาทําลายได้เราก็เลยต้องสร้างกําแพงขึ้นมาสีด้านกําแพงนี้ก็คือรอปภ พ, พุทธานุสตินี้มีไว้เวลาเราเสื่อมศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสื่มศรัทธาในการทําความดีเช่นมาบวชแล้วอยากจะกลับไปเป็นคาวางเงี้ยเรียกว่าเสื่มศรัทธา แล้วเกถึงพระพุทธเจ้าแล้ว เ, เลิกถึงการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าว่าท่านวิเศษขึ้นมาได้เพราะเพราะว่าท่านบวชท่านปฏิบัติธรรมอันนี้ก็จะป้องกันความเสื่อมศรัทธา <c oughs> แล้วก็ให้พิจารณาสุภะเวลาเราเกิดอยากจะสึกไปอยู่กับแฟนคิดถึงแฟนอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็ให้ดูภาพไม่สวยงามของแฟนดูเวลาเขาเป็นซากศพดูเวลาเขาแก่นะ ดูตับไตไส้พุงของเขาดูอาการ32ของเขาเรียกว่าสุภกรรมฐานไล่เห็นอาการเหล่านี้แล้วก็จะไม่อยากจะกลับไปหาแฟนแล้วก็ถ้ามีความโกรธก็ให้แผ่เมตตาให้หัดแผให้อภยัยอย่าไปทึ่ทุกขโกรธเคืองคนที่เขาทําให้เราไม่พอใจไม่สบายใจคิดเสียว่ามันเป็นกรรมของเราก็แล้วกันทําอะไรไปแล้วก็ต้องได้รับผลที่เราทํากลับมาหาเรา เ้าพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเราก็อาจจะเป็นเพราะเราเคยไปทำอะไรไม่ดีให้กับเขาไปตอบโต้กันก็ยิ่งจะทำให้เราเป็นฟืนเป็นไฟทำให้นั่งสมาธิทำใจให้สงบไม่ได้ถ้าเรายอมรับว่าเป็นกรรมคิดว่ามันก็ เ, เกิดเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นไปแล้วเขาพูดก็พูดไปแล้วด่าก็ด่าไปแล้วถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันมันก็จบไปแล้วก็ใช้พุโทโธพุโทโธดึงไว้แล้วให้อภยัย มันก็จะทำให้ใจเราสงบได้เรียกว่าเมตตาอันสุดท้ายก็มรณานุสติให้เราคิดถึงความตายเพื่อที่เราจะได้ไม่เกียดค้านเพื่อที่เราจะได้ขวนขวายทำงานที่เราควรจะทากันรีบเน่งเสียเพราะว่าเดี๋ยวตายไปแล้วจะทำไม่ได้อันนึกถึงมรณานุสตินึกถึงความตายอยู่บ่อยๆแล้วเราจะขยันเราจะไม่ขี้เกียจ นี่คืออารักขากรรมฐานที่จะทำให้ใจของผู้ปฏิบัตินี้อยู่ในร่องในรอยของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้คำถามจะกคุณนันทนีนะครับดูแลบิดามารดาวาัยชราบางครั้งท่านหลงลืมเหมือนวัยย้อนกลับเป็นเด็กจะไม่พอใจถ้าเตือนให้ทานยาอาบน้ำกราบขออุบายในการเจริญพรมวิหารสีโดยเฉพาะส่วนของเมตตาและอุเบกขา ก็ถึงเวลาก็เอายาไปวางไว้ข้างหน้าก็แล้วกันว่าพ่อนี่ยาเขาจะกินไม่กินก็เรื่องของเขาเขาไม่กินก็ไม่กินตัวเขาชีวิตของเขาถ้าเขาไม่อยากจะกินเขาไม่อยากจะรักษาก็ไม่ต้องไปโกรธเขาไม่ต้องไปโมโหก็อย่าไปทําให้เขาโมโหเราอยู่ด้วยกันต้องรักษาน้ําใจกันไว้อย่าเอาเรื่องจังอื่นอย่าไปถือว่าเรื่องอื่นสำคัญกว่าการรักษาน้ําใจกัน อยาถือว่าเรื่องอื่นสำคัญกว่าการเคารพพ่อเคารพแม่บางทีเราเอาเรื่องอื่นมาทำลายความเคารพพ่อแม่เราเรื่องความรักพ่อแม่อยากให้พ่อแม่าหา ย, ห, ายหรืออยู่ต่อไปก็เลยขาดความเคารพไปเล่นบังคับไปว่าพ่อว่าแม่ไอ้อย่างนี้อย่าใช้เราต้องเคารพกันเราต้องรักษาน้ำใจกันเขาเป็นพ่อเป็นแม่เราไม่มีหน้าที่ที่จะไปดุด่าว่ากล่าวท่านถึงเวลาเอายามาให้ก็เอา เวลากินยาก็ไปวางไว้ให้พ่อนี่ยานะถึงเวลากินแล้วนะพอจะกินไม่กินก็แล้วแต่นะไม่ต้องไปบังคับยัดเยียดไม่ต้องไปขมคูพูดอะไรไม่ดีต่างๆอันนี้ไม่ถูกต้องเราต้องถือว่าการให้ความสุขต่อกันนี่สำคัญกว่าการที่จะรักษาดูแลร่างกายถ้ารักษาดูแลร่างกายแล้วมีแต่ความเครียดมีแต่ความโกรธเกียดกันก็อย่าดูแลกันดีกว่า ดข้ขขอสุดท้ายครับอาจารย์คุณเอวาถามว่าอาหารที่พระฉันเช้าเหลือจากการบินกระบะจำนวนมากพอท่านฉันองค์เดียวพอที่วัดนี้จะแยกงกันฉันเจ้าค่ะแยกงกันฉันเจ้าค่ะท่านสละให้มากินที่บ้านกินแล้วบาปไหมต้องทําบุญชําระนีิสงไหมครับถ้าเป็นของท่านแล้วเราไม่ได้ไปขอท่านท่านให้ด้วยความเสน่หาท่านให้ด้วยความเมตตานี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องไปทําบุญไม่ต้องไปชําระนีิสงแต่ยังได้เดี๋ยวยังมีคําถามมีท่อน เป็นคำถามต่อเนื่องครับอาจารย์จะถามย้อนกลับมาเกี่ยวกับความกรุณากับอุเบกขาครับก็คืออาจารย์เคยสอนเลยว่าการกระทําทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าดีหรือไม่ดีมันมันจะมีผลของการกระทําตามมาคราวนี้ครับที่ผมประสบค่อนข้างบ่อยช่วงนี้เนี่ยคือเวลาเรามีเวลาครับเราก็จะเอาเวลามาปลึกวิเวกพยายามที่จะปฏิบัติภาวนาแต่ว่าคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนรักอย่างเงี้ยครับ เขาก็เขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยตีตัวออกห่างจากเขาไปเขาเหมือนเราเขาจะสูญเสียเราไปอะครับคราวนี้เนี่ยผมเห็นเลยว่าผลของกรรมเนี่ยก็คือเวลาที่เขาพูดจาแบบเหมือนกับว่าให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังจะจากเขาไปใช่ไหมหรืออย่างเงี้ยแล้วเหมือนเวลาเราอุเบกขาเนี่ยเขายิ่งจะใช้คําพูดหรือการกระทําที่รุนแรงกลับมาเรื่อยๆเื่อยๆรื่อยๆค ร, ร, ราวนี้ เราก็รู้สึกไม่ค่อยดีเราก็อยากจะมีความกรุณากับเขาแต่ในขณะเดียวกันมันก็อุเบกขายากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์อย่างนี้ก็เป็นข้อทดสอบทำของเราว่าเรายังมีอุเบกขาไม่เต็มร้อยถ้าเรามีอุเบกขาเต็มร้อยเราก็จะเฉยได้เพราะเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครเสียหายเดือดร้อนความเสียหายเดือดร้อนเกิดจากความอยากของเขาเองก็ช่วยไม่ได้ก็ถือเป็นกรรมของเขาไปหมดแล้วใช่ไหม วันนี้กี่คนแล้วปิดท้ายจะได้ดูนะตอนนี้300สามรกว่าเนี่ยครับอาารย์สอคือการ์ดครับสาม่าค่ะบสามสิบยยังใหม่อยู่แต่ YouTube มันข้อดีคือเขาค้นหาง่ายเราเป็นาจะเจอง่ายเด๋ยนนี้เปลี่ยนชื่อชื่อชานแลแล้วเหรอมออบบอกให้เปลี่ยนครับเราไปเราไปเสิร์ชอันซีนไม่มีท่แล้วเดี๋ยวผมว่าจะเปลี่ยนกลับไปอันซีครับแยกกันอยู่อามันมันอันเดียวกันไม่ใช่แแล้วนออันซีก พระสุชาติอันเดียวครับอาจารย์แต่ว่าอ่าพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนกลับไปอันเดิมมันบอกเปลี่ยนบ่อยไปต้องรอสักคั้หนึ่งแล้วไปเปลี่ยนกลับไม่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แร้ไม่เปล่งแตบเปลงแต่ปลาลบเฉยๆท่านว่าเคยเห็นอันซีนทํามาเดี๋ยวนี้หายไปหมดเลยไปลองเปลี่ยนดูบอกให้ลองเปลี่ยนอ๋อมันเปลี่ยนชื่อแล้วมันก็แต่มันเซิร์ชอันซีนมันก็ยังกลับเข้ามาว้ก็อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไร ชื่ออะไรก็ได้เพียงแต่ว่าแปลกใจทั้งนี้หายไปไหนว่าอังกฤคือจริงผมอยากใช้อังกฤษนันเดิรมากกว่าอาจารย์ลองเปลี่ยน ล, ลืมแล้วมันกลับไปไม่ได้ต้องรอสักพักนึ่ง อ, อ๋อไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ไ, ไ, ไม่สําคัญอะไรเ <c oughs> ราคนส่วนใหญ่เวลาเขาเสิร์ชก็ไม่ได้เสิร์ชชื่อฉันนี่มอย่แล้วส่วนผู้ชมนะครับรายงานนะครับว่าแอปพลิเคชันพัสุชาติเนี่ยกําลังลงมือทำแล้วนะครับตอนนี้นะครับก <c oughs> <อ>็หน่อยจะสะดวกมากนะครับถ้ามีแอปพลิเคชันติดมือถือทั้งระบบ iOS และ Android นะครับใน้านี่ครับอันนี้สําหรับรับรับฟังจากสถานีวิทยุจากสถานีวิทยุแล้วก็มีข้อมูลทุกอย่างในนั้นสามารถเปิดฟังอะไรแบบรวมที่เดียวเลยครับอาจารย์แล้วที่ข้อมูลเราจะอัปเดตโดยแยกแยกเว็บออกมาโดยผมจดจดไม่ใช่จดโดเมนใช้โดเมนเดิมแต่ว่าแยกแยกอาซับโดเมนมาเป็นเพื่อใช้สาหรับตัวนี้ครับแล้วมันก็จะลิงก์ไปที่แอ แล้วข้อมูลทุกอย่างก็จะอยู่ในนั้นแล้วมันเล่นเข้าหาเฟซบุ๊กกับ youtube ได้ไหมได้หมดครับทุกอย่างครับอาจารย์ที่เกี่ยวกับรายการของเรานี้เข้าไปได้หมดเลยได้หมดผ่านแอปตัวเดียวนี่นะจะรวมหมดเลยครับถ้ากับแอปตัวเดียวจบเลยครับอาจารย์ต่างทำนะครับโอเคก็มีใครยากจะถามอะไรไหมค่ะครับอาจารย์เออปกตินั่งสมาธิอยู่บ้านอยู่นะค่ะเช้าเย็นวันี้รู้สึกว่าภาวนาไม่มีกําลังโทหาป้ปุกป้ปุกได้ห้องพักให้พอดีวันนี้ถึงวัน วันวันศุกร์เลยค่ะก็เลยมานั่งภาวนาชั่งใจมาเป็นชาติชาติาแบนะบนี้เพราะเราจะได้เ<ม><ม>จริญสติได้อย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนคแล้วจะมีกําลังขึ้นมากอยู่ที่สติตัวเดียวนี้แหละที่เราไม่มีกําลังเพราะเราไม่มีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องพราเดี๋ยวใจก็ถูกเรื่องราวเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ดึงไปให้ไปคิดมันก็เลยไม่ได้มีมันก็ไหลไปไม่ได้ตั้งอยู่ทีนตอนนี้เราไม่มีเรื่องมีราวและอยู่คนเดียว เราพยายามตั้งไหมอย่าปล่อยให้มันไหลไปแล้วต่อไปมันก็จะมีกําลังขอให้พยายามทําไปนะก็<อ>จรใช่ไหมคเรามาฟังธรรมะได้ทุกใบายเ่มัอบได้ได้<ๆ>ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอะ